ของอเพง q คของเราเกิดที่โบส น, นะครับเ c e b o o กเกิดที่มหาวิทยาลัยนะฮะอ l i b บาบาผมไม่ทราบแต่เกิดที่ประเทศจีนทั้งสเว็บนั้นตอนเกิดขเขาก็ไม่พร้อมวันนี้เพจ q, q ของเราก็ไม่ได้พร้อมร้อเปเซ็ น, นต์แต่เราจะสมบูรณ์ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเราดีขึ้นโอเคไหมนะครับแล้วทุกวัน เราก็จะมีสมาชิกมากขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรผมจะมอบหน้าที่ให้น้องอาตอมวิศวกรหนุ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับวันนี้มาเดินงานตรงนี้เต็มตัวนะครับแล้วก็จะอธิบายให้เราฟังว่า p พ q คคืออะไรทำแล้วได้อะไรนะฮะแล้วเราโพสทุ่นโพสนี่โพสนั่นได้ตังจริงหรือไม่ขอเสียงปรบมือให้คุณอาตอมด้วยครับ ก็ตอนอื om, ่นนะครขอสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับเชื่อตอมนะครับเรียกน้องนัตตอมละกันหรือว่าถ้าใครอายุน้อยกับตอมก็เรียกพี่ตอมก็ได้นะครับถ้าอายุเท่ากันก็เรียกน้าตอมนะครับธรรมดานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่ที่ตอมจะบอกข้อมูลนะครับกับทุกท่านที่อยู่นี้ครัตอมอยากให้ทุท่านดูคลิปคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําความรู้จักกันนะครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดก่อนนะครับเอาเบิ้ลเตอรมารู้จักกับตอมก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะครขอขอแยกเปิดไฟตรง ขอบรรยากาศแบบ ส, สบายๆเราคือผมเป็นคนไม่ชอบประชุมนะผมเป็นคนที่เกียดประชุมมากนะครับขอเป็นบรรยากาศแบบพูดคุยกันเองแล้วกันดีไหมครับอันนี้ก่อนเนาะเป็นขอแบบพูดคุยเหมือนว่าเมนว่าวันนี้ตองกาลังจะเล่าเรื่องเพลิดเให้กับทุกคนฟังแล้วกันนะครับโอเคหมฮะวันนี้คือตื่นยังฮะตื่นแล้วเนาะนะครับผเชื่อว่าบางคนเนี่ยเดินทางมาไกลมากเลยนะครับวันนี้มีมาจากที่ไหนบ้างฮะกทมกทมโอเคตรงที่กทมนิดนึงฮนะ โอชลบุรีเลยนะครับุรีมีที่ไหนครับล้านบุรีลานบุรีด้วยโอ้มีเหนือไหมทางเหนือมาไหมทางเหนืออุทัยธานีตบมือให้หน่อยนะตบมือให้หน่อยระหว่างรอมันโหลดไประหว่างรอมันโหลดนะครับมีมีที่ไหนมีแภาคใต้มีภาคอสานนมีแค่าคใต้ภาคใต้มาไกลแลทำไมนะส่วนใหญ่ชาวสิงบุรีแหละสิงคโรีสิงบโรีเอาตบมือให้สิงบุรีหน่อยลบุรีมีแค่บุรี มีด้วยรงทีก็มีด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่มาวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยตออยากจะบอกกก่อนว่านะวันนี้คือแบบหมายความว่าเราคุยกันเลยเนาะถามอะไรตอบได้ก็ตอบได้เลยนะฮะเพราะว่าตอมเป็นคนใจดีนะไม่กันะครับโอเคนะฮะตอมอายุ26นะครับจบจากมหาลัยเกษตรนะครับจบวิศวกรรมนะครับตอนอายุ20นะครับเรียนจบตอนอายุ20นะครับแล้วก็ไม่เคยทาวิศวะเลยไม่เคยเข้าไปอยู่ในวิศวะเลยพ่อถามเยนทำไมนะฮะคือจบมาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจออนไล ตั้งแต่อายุ20นะครับคือเราเข้าใจว่าวันนี้โลกมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วเราก็มีความฝันค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับเลยเลยเข้าสม่หมวดธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะครับจนวันนี้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับไปไปเซตในส่วนของมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัท i อหลายบริษัทนะครับบริษัทขายตรงก็เคยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับดูในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับในบริษัท i อยักษ์ใหญ่แห่งเนึงนะครับแล้วก็มาดูแลนะครับผ่อ การเงินเล็กๆอีกกระเป๋านึงซึ่งก็งไม่เล็กเท่าไหร่ด้วยนะฮะถ้าดูแผนรายไลด้ของมั น, นะครับที่เพจ q นี้นะครับตออยากให้ทุกคนมองเพจค q วนะคร<ม>ับเป็นเป็นอีกหนึ่งพอร์การเงินที่น่าสนใจนะครับที่ตอมต้องบอกอก่อนว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งน ะ, ะ ท, ทมานถึงน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการขายไอเดียที่มันเลายแล้วเรียบร้อยนึกภาพไดีนะครับวันนี้เนี่ยทไมประเทศไทยเราถึงส่งข้าวส่งข้าวออกไปต่างประเทศแล้วก็จบอยู่ที่ข้าว ส่งยางพาราก็จบอยูที่ยานพาราเพราะว่ามันไม่มีการอัพลายต่อนึกออกไหมครับทำไมวันนี้มันมันไม่มีอะไรต่อจากข้าวครับมีไหมเราคิดออกไหมเพราะว่าปกติครับคือเราอ่ะส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนาะจะอยู่ในบทบาทของของเขาเรียกว่าผู้ผลิตผลิตแบบวัตถุดิบไหมไม่ใช่ผลิตในลักษณะของของใช้งานแต่จะผลิตวัตถุดิบนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยตอมมองเลย ว, ว่ามันมันถูกแปรเปลี่ยนมาแล้วมันเป็นวิวัฒนาการของยุคสมัยมาซึ่งวันนี้เดี๋ยวอมจะเล่าให้ฟังนะครับมันโหลดเสร็จหรือยังอ๋อโหลดเสร็จแล้ ว, ลลวนะฮะเดี๋ยวก่อนก่อนจะเข้าเรื่องอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะ คมเป็นในบรรยากาศของข้อมูลนะครับอโอเคฮะคือจริงๆจริงไ ม, ไม่ต้องเรียกผมโค้ชนะฮะเรียกผมน้องอัตอมปกติพอนะฮะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่านะครับคือจะปูพื้นเลยนะครับผมจะปูพื้นเลยนะฮะไม่ใช่ปูพื้นกระเบื้องนะปูพื้นความรู้ให้เรานะครับคือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมฮนะทำไมถึงต้องทำไมถึงต้องทำเหตุคิวคิวครับ เพราะว่าวันนี้นะครับใครไม่รู้เลยฮะเรื่องเทคคคิวขอขอดูมืออรอบไม่รู้เลยยกได้ครับยกได้ใครไม่เคยเห็นหน้าผมบ้างไม่เคยเลยนะใครเคยดูวิดีโอผมบ้างแล้วใครเคยดูวิดีโอผมแล้วบ้างในห้องนี้อ่าโอเคครับทีนี้อย่างนี้ก่อนนะครับขึ้นขึ้นสไลด์นี้นะครับเพราะว่าอยากให้เราเห็นข้อเท็จจริงมันจริงๆนะครับในวันนี้เนี่ยสิ่งนึงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับอายุของเราเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงมาหลายสมัยแล้ว การเปลี่ยนแปลงของของบ้านเมืองเราของโลกเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของแบบในเรื่องของการสื่อสารในรูปของเทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นนะครับซึ่งนะครับถ้าใครมองไม่ออกนะผมบอกว่าไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างได้ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงโลกครับอย่างที่เทคโนโลยีทําได้ในปัจจุบันนี้นะครับทำไมถึงทําไมถึงขึ้นทอยนี้มานะครับถ้ามองถ้ามองไม่ออกนะให้นึกภาพนี้นะครับมีโลกกลมๆนละอยอยู่ข้างหน้าเราวันนี้ แล้วมันก็หมุนอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วลองนึกภาพครัวันนี้เวลามันหมุนไปเนี่ยหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรฮะที่ทําให้มันเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดท่านว่าอะไรฮะเทคโนโลยีไหมใช่ไหมฮะผมต้องบอกจรงครับว่ามันเป็นวิวัฒนาการครับมันมีวิวัฒนาการถึงมันนะสมัยก่อนฮะกระดาษเรามีกระดาษใช่ไหมฮะไว้เขียนนะครับสมัยนี้เป็นไงฮะมีไอแพแล้วนึกออกไหมฮะสมัยก่อนเราส่งจดหมายกาันสมัยนี้เราส่งอีเมลครับ สมัยก่อนเอาปืนฮนะไปตป้นธนาคารสมัยนี้แฮ็กธนาคารแล้วครับจริงไหมจริงสมัยนี้แฮ็กธนาคารแล้วนะล่าสุดอะไรฮนะสีชมพูชมพูใช่ไหมโดนแฮกไปคือยุคสมัยมันเปลี่ยนเยอะมากครับธนาคารฮนะอีกหน่อยเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหมดแล้วครับอีกหน่อยเป็นธนาคารดิจิตัลหมดแล้วครับเพราะว่าวันนี้ฮนะมันเป็นวิวัฒนาการสมัยก่อนเราติดต่อสื่อสารกันยังไงฮนะ มีควันไฟใช่ไหมขีมา้าส่งสารยิงธนูอะไรนกนกพิราบใช่ไหมมีอะไรไงี้ฮมีอะไรไงี้ฮเริ่มมีเริ่มเข้าสู่แบบการส่งจดหมายใช่ไหมอีเมลมสมัยนี้เป็นไงฮะไลน์ใช่ไหมใช่ไห <c oughs> มันเร็วขึ้นมันเป็นวิวัฒนาการครับเนี่ยฮะใกล้ตัวที่สุดเรื่องการสื่อสารนะครับซึ่งเจ้า p o i อย p เนี่ยฮะวิวัฒนาการการสื่อสารเนี่ยนี่แหละครับเ ป, เป็นตัวบดเป็นเป็นตัวที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยได้เร็วที่สุดเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกัน ใช้ทโทรศัพท์เครื่องนี้บ้างทันไหมนี่ฮะไทยแลนด์ยุค 1G ใช้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กันเครื่องเท่าไหร่ครับ900ล้านอติจริงสมัครหลักแสนเนาะหลักแสนใช่ไหมครับยุคไทยแลนด์สมัย 1G เนี่ยไทยแลนด์สมัย 1G เนี่ยคนไทยทำเกษตรกรรมยุคนี้นะยุคนี้คนไทยทำเกษตรกรรมกันนะครับเป็นในลักษณะของของการขายในเรื่องของพื้นภาคเกษตรซะมากกว่า นะครับคนไทยใช้ชีวิตแบบวินเทจอะอินอนะครับวินเทจวินเทจหน่อยขี่เกวียนขี่ควายขี่ม้านะครับส่งของแบบยังไงอะส่งของแบบฝากไปหากันะขี่ม้าไปหากันอย่างเงี้ยฮะยุคนี้ฮะนะครับหรือไม่ก็ขี่รถไปหากันนะครับประมาณนี้นะยุคยุคแบบอินดอกหน่อยนะครับทีนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่ายุคนี้เรามีในลักษณะของพวกจดหมายแล้วะนะครับเรามีแล้วแหละนะครับเป็นเรื่องของไม่ไม่ไกลตัวเรามากนะครับ เชื่อผมเชื่อว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นผมสมัยประมาณพึ่งเกิด น, นะครับเมื่อ26ปีที่แล้วอนเนี้ยอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับ ผ, ผมผมขอญาตถามนิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้ใครทันโทรศัพท์เครื่องนี้มั้ยนฮ ะ, ะยกยกมือให้ผมเห็นนฮ ะ, ะ <c oughs> ส, สมัยนั้นอายุเท่าไหร่ครับโอ้นาถามนี่นาเกียดเนาะามนี่นเอียดอาไหมะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะฮะลบไปนะฮะลบไปนะฮะผูดใายุอย่างชายใช่ฮะขอโทษนะฮะขอโทษ ย, ยุคนี้เนี่ยเราเราเราจินตนาการเหรอว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงครับบ้านเมืองเราเป็นยังไงยังยังผมใช้คําว่าเจริญหรือยังไงใช้เจริญหรือยังยังใช่ไหมยังเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านอยู่แคความชีวิตความเป็นอยู่เราเป็นแบบเหนที่ผมบอกี่นาวินเทจวินเทจหน่อยใช่ ไ, ไหมฮะจากนั้นครับมันถูกปฏิวัติขึ้นมาโดยยุคยนี้ครจากยุคนอนาล็อกครับเข้าสู่ระบบดิจิตอลนะครับ โทรศัพท์เครื่องนี้ใครไม่ใครไม่เคยจับมัครับเคยทุกคนไหมรุ่นอะไรฮะสา330ศูย์ของอะไรฮะโนเกียใช่ไหมของโนเกียใช่ไหมครับผมจาได้เลยนะยุคนี้เป็นยุคที่ผมนั่งแต่งลิงทนวสนุกมากโดเรมีพาซอนเน่เคยไหมแล้วเราก็แบบมาแต่งกันน่ใช่ไหมฮะนี่ครับมันมีวิวัฒนาการการแชทแล้วนะเราส่ง SMS อกันเมสเศจนึงเท่าไหร่ฮะบาทบาทใช่ แล้วทีเนี้ยมันจะมีเคยมีอารมณ์นี้ยไหมแบบว่าฉันจะทำยังไงอ่ะไม่ให้ข้อความที่ฉันส่งอ่ะมันเกินมันเกินแมสเจเนี้ยอป็นงแมสเจเพราะว่าถ้าเป็น2องจจะจ่ายเพิ่มใช่ไหมนะเนียะเราเรามีวิวัฒการต่อให้มันแพงขนาดไหนเราก็ยอมซื้อนะแล้วเราก็ยอมจ่ายด้วยนะครับพอยุคนนจตอนมาถึงครับมันถูกมันถูกพัฒนาขึ้นอีกนะครับซึ่งการพัฒนาเร็วมากเลยมันเข้าสู่ยุค2 5 G โทรศัพท์จากจอสีขาวดำเนี่ยนะครับส่งได้แต่เมสเซจเนี่ยเริ่มมีการส่งภาพได้แล้ว MMS แพงไหมครับแพงนะฮะแต่เราส่งไหมครับส่งแปลกัหยรู้ว่าแพงนะแต่ส่งเพราะอยากส่งนะครับเริ่มมีจอสีเริ่มมีบานสไลด์และโทรศัพท์เริ่มมีลูกเล่นมากขึ้นยุคนี้ผมเห็นผมเห็นวัยรุ่นไทยอ่ะรวมทั้งโตผมเองก็นะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสวัสดี่ ยุยิงจาได้ไหมสามวิ2วิจำได้ปะใช่ไหม้อยู่บางใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงไงครับ<ม>เราเลยจําเป็นต้องใช้แบบนี้กันนะครับเริ่มมีเริ่มมีตัว MP3 มพแล้เริ่มส่งเพลงกันแล้วนะครับสมัยก่อนฟังเพลงใน CD ในเทปคาเสเซ็ตสมัยนี้ฟังเพลงในโทรศัพท์มือถือแล้วเป็นไฟล์ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับจากยุค 2.5G มันเข้าสู่ยุคสองจนะครับซึ่งมันไปเร็วมากเลยนะ ตอนนี้นะครับยุค 2.5G เนี่ยนะครับเราเริ่มมีเราเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตบ้านกันนะครับยุคอินเทอร์เน็ตบ้านกันนะครับพอมาตรงนี้มันเริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วใครเคยเล่นแบบยินตาโฟดอทคอมโพสต o c o m ดอทคอเอ็มเมั้คยมีไหมฮะใครใครเขียนไดอารี่ออนไลน์มั้อยู่นี่เคยไหมทำรูปในอัลบั้มออนไลน์หาแชทเริ่มเริ่มหาแบบหนุ่มๆออนไลน์กันแล้วอ่ะมีไหมมีไหมฮะุนข้างหลังรุ้นข้างหลังทันหฮะหาหนุ่มออนไลน์นะฮะ เอาอย่างนี้ก่อนนะครับยุคนี้นะครับเราเริ่มเราเริ่มติดอินเทอร์เน็ตบ้านทุกคนเริ่มมีอีเมลเพราะว่าเราเล่นเอ็มเอสกันนะครับเริ่มส่งอีเมลกันนะครับโทรศัพท์เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเริ่มมีการใช้ตัว Hdge มากขึ้นเอชก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มมีมีกล้องนะครับมีบลูทูธนะครับในการที่ส่งข้อความที่แบบไม่ต้องเสียเงินแล้วนะครับในยุค 2.75G ไม่นานมานนี้นะครับไม่นานเองนะฮะ ยุคนี้นะครับพวกเราอ่ะกด B ีบีเป็นบ้าเป็นหลังเลยขอพินหน่อยจำได้ไหมนะรประเทศไทยขอพินหน่อยทั้งหมดเลยนะครั บ, รบนี่คนระมันอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ํานะครับจากนั้นนะครับมันถูกวิวัฒน์เข้าสู่ยุคนี้ครับยุค 3G เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้เองนะยุค 3G มีใครซื้อบีบีไหมครับไม่มีแล้วนะมีใครซื้อโนเกียอยู่ไหมครับยุคนี้คนระอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราเป็นยุคอุตสาหกรรมหนะัก มันนําเข้าสิ่งเหล่านี้เยอะสิ่งของที่เป็นสมาร์ทโฟนสิ่งของที่เป็นคอมพิวเตอร์สิ่งของที่เป็นในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบไร้าสายนะครับเพราะว่ายุค 3G เราเป็นยุคออนไลน์นะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับยุคนี้เนี่ยนะครับเราจะเจอคําคํานึงที่เรียกว่า V O I P ทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคืออะไรนะครับจำได้ไหมในกล่อง M S N ของเราอ่ะสมัยแรกมันพิมพ์ได้แต่ข้อความกับใส่ฟฟรูปไฟล์แล้วเราก็ดูนะโอ้ยหนุ่มคนนี้หล่อจังเลยนะก็แชทตัวเองเขาพอนะนะมายุคนึมหน เสียงเข้าไปแล้วเราก็ส่งเสียงผ่าน M S N เนี่ยไปถึงคนอีกคนหนึงได้เลยใครๆคเคยทำบ้างเคยไหมเนี่ยครไอตัว V O I P เขาเรียกว่า Voice over Internet Protocol ครับซึ่งตรงเนี้ยผมต้องบอกอยังไงว่ามันคือการส่งเสียงเนผ่านคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ไอ้เครื่องนึงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เสียเงินฟรีนะครับใครใครเคยคอลไลน์บ้างในห้องนี้คอลไหมคอลไลน์ไหมคอล a c e b o o k เคยไหมฮะเสียเงินไหยครับ เสียหร อ, ไ ม, หรอไม่เสียนะฟรี <Free. S 1> <Free. S 2> เพราะว่าเรากําลังโทรผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตครับมันฟรีครับถ้าใครถ้าใครนึกไม่ออกน ะ, ะสมัยนี้เราอ่ะมีมือถือกันไว้อะ่ะเราไม่ค่อยโทรเข้าโทรออกกันแล้วนะครับน้อยมากเราใช้เล่นอินเทอร์เน็ตเราก็โทรผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยเพราะว่ามันฟรีนะครับคือตัวตัวนี้นะฮะในยุค 3G ที่เราผ่านมาเนี่ยที่เราเริ่มออนไลน์กันเนี่ยนะครับเราต้องสังเกตตัตวเราเองเลยนะว่าชีวิต บริบทของเราครับตั้งแต่ยุค 1G 2G 3G เป็นต้นมาเนี่ยเปลี่ยนไหมไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไหมครับการชีวิตการส่งข้อมูลต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเขาเรียกว่าไงลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์พี่ว่าเปลี่ยนไห ม, ไหมพวกเราติดมือถือมาอกขึ้นเนาะใช่จากยุคนี้เลยนะนะครับพ่อผมตื่นมาต้องไลน์เป็นไหมใครใครเป็นไหม อันนี้อันนี้ผมพูดถึงพี่ๆทุกท่านที่อายุพอๆกับพ่อผมเลยนะฮะประมาณ 50-60 ประมาณนี้ฮะติดไหมครับติดไหมฮะใช้ใช้เราใช้มือถือกันไหมครับใช้เนาะสมัยนี้ใช้หมดนะฮะยุคนี้ฮะเราเริ่มมีแอปพลิเคชันแล้วนะครับ msn เริ่มตายแล้ว B ีีตายแล้วจากยุคนี้นะครับตายเลยนะครับไม่มีใครซื้อแล้วนะครับเราเริ่มใช้แอปพลิเคชันไลน์ vchat อะไรฮ ะ, อะ whatsapp อะไรพวกนี้ฮะที่มาตอนยุคนี้นะครับ จากนั้นฮะมันวิวัฒน์เข้าสู่ยุคนี้นะครับยุค 4G โทรศัพท์ใครขึ้น 4G แล้วมั้ยครับในห้องนี้มีไหมฮะขึ้น 4G แล้วนะครับคําถามคือ 4G จริงไหมไม่จริงจริงใช่ไหมช้ามากใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ก่อนครับตอนนี้ผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะเรียนตามตรงนะครับในประเทศไทยเรายังไม่ใช่ยุค 4G จริงๆฮะยังเป็นยุคประมาณ 3.5 3.7G ประมาณนี้นะครับ คือในยุค 4G นะครับจะเป็นยุคที่เราอ่ะใช้ช่องสัญญาณ 5G LTE นะครับช่องสัญญาณ5 g h z นะครับปัจจุบันเป็น 2.4 g h z นะครับซึ่งซึ่งมันรวมถึงไ i ไฟบ้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เราใช้กันอยู่นะครับแต่ยุคนี้นะฮะอินเทอร์เน็ตที่เราใช้จะเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ประมาณเกือบเกือบ 16-17 เท่าเร็วมากนะครับคือผมบอกเลยฮะว่ายุค 4G เป็นต้นไปนะครับอุตสาหกรรมในประเทศไทยเราจะเปลี่ยนเลครับ การสื่อสารติดต่อศึกษสารพวกเราจะเปลี่ยนการลักษณะของการทํางานของลูกจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเด็กจบใหม่ที่จบมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าตกงานอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับในยุค 4G เนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือเทคโนโลยีมันมีบทบาทเข้ามาแทนที่มันเยอะมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ยุคนี้เลยใชไทยแลนด์ยุค 4G นะครั บ, น G, นรบธาานาคารทหารไทยเพิ่งเปิดตัวธาานาคารดิจิตอลแห่งแรกเห็นไห้ครัเห็นข่าวไหมครับ ผมพยากรณ์ไว้แล้วนะว่าการเงินอีกหน่อยนะเงินธนบัตรในกระเป๋าเราจะเสื่อมมูลค่าไปเลยนะการเงินจะเปลี่ยนในรูปแบบของดิจิทัลมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแพทย์จะเป็น health information system ส, ส่วนใหญ่ทีวีจะเป็นทีวีออนไลน์หมดครับการศึกษาจะเป็นในลักษณะของ e-learning ทั้งหมดเลยนะครับ เ, เมื่อยุคนี้มาถึงมันจะถูกแบ่งเกรดคนเป็น2เกรดโดยชัดเจนเลยซึ่งเราหนีไม่พ้นแล้วเราก็ปฏิเสธมันไม่ได้ด้วยนะครับคือคนที่ไฮเทคโนโลยีไปเลย กับคนที่โลเทคโนโลยีมากๆเขาต่างไม่ทันนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ตองอยากจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคือวันนี้ถ้าเรารู้เท่าทันผมใช้ว่าถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้มี2ช้อยครับคือเป็นผู้ใช้กับเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นอะไรดีฮะผู้ประกอบการไหมไม่ต้องถึงผู้ประกอบการก็ได้ขอแค่รู้เท่าทันก็พอแล้วนะจริงๆนะครับทีนี้ต้องบอกอย่าน่อนครับว่ายุคนี้นะฮะมันจะเป็นยุคที่เราอ่ะสามารถโทรศัพท์ละแล้วเห็นหน้ากันได้แบบ ไม่กระตุกเลยทุกวันนี้เราวิดีโอคอลกันแต่กระตุกไหมครับถ้า Wi-Fi ไม่แรงก็แป๊บแป๊บดับเนาะใช่ไหมเ ค, ครือข่ายไม่เสถียรประมาณ น, นี้ใช่ไหมครับยุคนี้นะครับทุกคนจะวิดีโอคอลกันแบบลื่นปลื้มเลยฮะความเร็วอินเทอร์เน็ตจะสูงมากเร็วกว่าปัจจุบันนี้ประมาณ1ิบหเท่านะครับทีนี้ต้องบอกงนี้ก่อนครับเมื่อมาถึงยุคนี้ผมต้องบอกยนะครับว่าว่าค่าใช้จ่ายของเราก็จะสูงขึ้นนะครับในการเสพสิ่งของล่านี้นะครับลองนึกภาพครับถ้าวันนี้ย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้ว มีคนบอกว่ามันจะมีมือถือแบนๆเครื่องหนึ่งแล้วโทรศัพท์เราเห็นได้กันได้แบบเนี้ยที่ขำไหมขำโอ้คนบ้าบ้าเลยนะนะครับเป็นไงครับสมัยนี้เรื่องจริงเลยถ้ามีคนบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมีคนว่าทุกภูมิภาคของเราไม่ว่าจะเป็นในชนบททุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฮวิไฟหรือวิไฟจะมีโทรศัพท์มือถือใช้เชื่อไหมครับไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อสมัยก่อ น, นครับ คุณพ่อคุณแม่ผมบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์เนี่ย3ามสมหที่เขาซื้อมาเครื่องแรกกันเครื่องละหกหมื่นนะครับเขาจะใช้แค่โทรเข้าโทรออกแค่นี้แหละแล้วก็จะไม่ซื้อแล้วสมัยนี้ผมเห็นเนี่ยลูกเม่อไหร่ iPhone 7จะออกลูกซื้อให้พ่อหน่อยแล้วมีใครเคยบอกกับตัวเองไหมว่าโทรศัพท์ของฉันฉันจะเอาไว้แค่โทรเข้าโทรออกนี่แหละก็พอแล้วเคยไหมฮะเคยไหมเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนมีใครเคยคิดว่าวันนี้เราจะใช้แค่โทรศัพท์สองจที่มันเป็นปุ่มอย่ักย้อน มีใครเคยบอกตัวเองไหมว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแต่ถูกบังคับให้เปลี่ยนจากยุคสมัยนึกออกไหมมีช่วงหนึ่งที่เราถูกบังคับให้เปลี่ยนเนี่ยจำได้ไหมนะทุกคนเนะี่ยต้องใช้มือถือที่แบบว่าต้องเอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนนะนึกออกไหมวันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเราอ่ะไม่สามารถบังคับมันได้มันเป็น uncontrollable f a c t คือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเราจะถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติเลยซึ่งเราก็อย่างที่ผมบอกเป็นได้2 อ, อย่างคือลูกค้าของผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้ น, นครับ ในยุคนี้นะครับผมสรุปเลยถ้าใครตามไม่ทันนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอความน่ากลัวเลยก็คือมันจะตกยุคนะครับมีน่ากลัวกว่านี้อีกนะฮะแต่ไม่น่ากลัวสัทีเดียวนะครับอ่ะอยากให้แนะนําให้รู้จักยุคนี้นิดนึงนะครับปกติเนี่ยในยุค 3G เ่ยเราจะเราจะเป็นยุคไอทเนาะใช่ไหมฮรุ่นนี้น่าทันยุคไอทนะฮะตื่นมาตื่นมาไม่มีดิดลูกแก้วเลยครับยุคนี้โตมาไม่มีกับลูกแก้วเลยฮะผมผมโตมาผมดิดลูกแก้วเลยครับอันนี้โตมาน่าจะมาพร้อมแบบ ทับเล็ะเลยเนะาะถังทางเลยใช่ไหมฮะเด็กๆเคยเล่นหนังยางไห ม, ไมไเคยด้วยโอ้แสดงว่าอายุใกล้ๆกันอายุเท่าไหร่ฮะ19อ๋อไม่ไม่ไมกลกันมาก ไ, ไ, มไม่ไกลกันมาก ไ, ม, กกไม่ไกลกันมากผมรู้สึกแก่แล้วนะนะเออต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าปกติเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่าธุรกิจ IT อะไรอนะย่างเงี้ยยุค IT สินค้า IT ใช่ไหมครับอีกหน่อยครับเราจะไม่เราจะได้ยินคําว่า IT น้อยลงแต่เราจะได้ยินคําว่า IOT มากขึ้นนะครับยุค IOT เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าหนี่ไม่พ้นเหมือนกันไม่เกิน5ปีนี้คนไทยเจอแน่นอนทั่วโลกจะเปลี่ยนเป็นยุค IoT หมดเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับยุค IOT เนี่ยมันย่อมาจาก Internet of t h i n g สทุกอย่างจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับทุกอย่างจะผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยและความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะเร็วมากนะครับเสาสัญญาณโทรศรัพ มันจะเป็นลักษณะของการกระจายโหนด ต, ต่อโหนดแล้วนะครับต่อไปนะครับโทรศัพท์ของเรานะครับที่มีเนี่ยเราจะเสียค่าบริการน้อยลงเพราะว่า VoIP จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการใช้งานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นถูกที่สุดแล้วเพื่อใช้คอลไลน์การใช้ WiFi บ้านกันเพื่อที่จะโทรหากันเป็นแบบนั้นไหมเป็นนะครับทีนีนะ้ในยุค 5G เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่จําเป็นต้องรู้เลยนะครับก็คือว่าเทคโนโลยีพอมเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากๆเนี่ย นะครับจะทําให้คนเนี่ยตกงานมากขึ้นลักษณะของลักษณะของการจัดเก็บเอกสารจะเป็นในลักษณะของโปรแกรมทั้งหมดนะครับพนักงานธนาคารจะตกงานพยาบาลหมอจะเริ่มมีงานที่น้อยลงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในในเรื่องของพวกแบบเจ้าของกิจการนะครคนที่ทํางานในโรงงานนะครับจะตกงานมากขึ้นสมมุตินะถ้าทั้งห้องนี้นะครับเป็นเจ้าของกิจการให้เลือกระหว่างซื้อหุน่นยนต์ครับที่ทํางาน เร็วกว่ามนุษย์ถึงห้าเท่านะครับซื้ออุ่นยนต์นะกับจ้างคนประมาณเดี๋ยวนะซื้อหุ่นยนต์ประมาณร้อยล้านแล้วกันกับจ้างคนประมาณพันคนนะครับพี่เลือกอะไรใครใครเลือกซื้อหุ่นยนต์นะเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมจะบอกใครเลือกจ้างจ้างคนมนะันคุณเป็นผู้ประกอบการนะถ้าคุณจ้างถ้าคุณซื้ออุ่นยนต์เนะ่ยคุณจะลงทุนร้อยล้านแต่ไม่มีการจ่ายเงินเดือนอีกแล้วครับ จบเลยนะฮะจบที่เหลือคือแค่มีค่าแมนทานัตไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวคืนทุนครับในเรื่องของเครื่องจักรแป๊บเดียวคืนทุนครับผลผลิตแป๊บเดียวคืนทุนเพราะผลิตได้เยอะกว่าวแต่ถ้าคุณเป็นผู้เกี่ยวการแล้วคุณจ้างคน1000คนจ่ายเงินเดือน1000คนทุกเดือนนะครับประกันชีวิตค่าอะไรกแบบันมนทา น, นทัตบุคคลค่าอะไรฮแะบบสวัสดิการโบนนะัสเยอะครับผมถึงบอกนะฮะว่าวันนี้นะฮะเมื่อเมื่อเมื่อเทคโนโลยีมันเข้ามีบทบาทมากขึ้นเครื่องจักรมาแทนที่มนุษย์เนี่ย สิ่งนึงเนี่ยที่ต้องระวังที่สุดเลยคือคนตกงานนะครับทีนี้เนี่ยจะมีอะไรมารองรับคนเหล่านี้นะครับหรือแม้แต่ทั่งพวกเราเองนะครับใครจะไปรู้ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ปลอดภัยที่สุดคือการมีกระเป๋าเงินใบเดียวในชีวิตมีใครในห้องนี้มีกระเป๋าเงินแค่ใบเดียวรายได้ทางเดียวเองครั บ, ย ก, ย, กรบกก ย, ยกได้ครับเขาเปิดโอ่งไหมฮะเปิดโอ่งเลยยกได้ครับใครทรําธุรกิจมากกว่า2 อ, อย่างนี่ไปฮนะทำงานมากกว่าสองอย่างขึ้นไปสามอย่างครับสามอย่าง ม, มีมีใครมีใคร สิ่งสิ่งหนึ่งเ่ยที่ผมเห็นวันนี้นะคนไทยของเราชอบชอบยึดติดกับความมั่นคงของอาชีพซึ่งผมบองเลยไม่มีอาชีพไหนมั่นคงสักอาชีพเลยเขาจะเขาจะเอาเราออกวันไหนก็ไม่รู้นะหรือเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุ ต, รหรอตอนไหนก็ไม่รู้นะนะครั บ, รบเพราะฉะนั้นนะสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจเลยว่าวันนี้เราอะถ้าเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียวเมื่อไข่ในตะกร้าเนี้ยมันหล่นมันแตกหมดเลยแต่ถ้าเราวันนี้เอาไข่วางไว้หลในหลายๆตะกร้าครับ ต่อให้มันแตกซักตะกร้ามันก็เหลือหลายตะกร้าให้เรากินนะครับเพราะฉะนั้นครับผมจะให้ความรู้เลยนะครับในเรื่องของยุคการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ยุค 3G เป็นต้นไปนะครับวันนี้มีใครใช้โทรศัพท์มือถือแล้วปิดอินเทอร์เนต็ตได้บ้างฮนะเวลานอนยังเปิดเลยจริงไหมโฟนดัตาแล้วเป็นไมฮะสมมติว่าวางโทรศัพท์ไว้แล้วมีเสียงยไลน์มาต้งนึต้องเปิดดูไหมเป็นไห ไม่รู้เป็นอะไรเนาะจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรเลยนะนะสมัยนี้ฮะคนนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเลือกระหว่างเสียงไลน์กับคุยกับแฟนเนี่ยคุณเลือกอะไรเสียงไลน์แปลกไหมคือผมต้องบอกจริครับว่าพวกเราถูกเสพติดไปแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเพียงแค่ว่าวันนี้ลักษณะของมนุษย์มันมันเริ่มเปลี่ยนนะครับจากการใช้งานนะครับเราออนไลน์กันตลอด24ชั่วโมงเลยซื้อของออนไลน์ช็อปออนไลน์ใจ นู่นนี้นั่นออนไลน์นะครับมันทําให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้ครับเนี่ยฮะอยากแนะนำให้รู้จักยุคนี้นะครับ Internet of Things นะครับผมเอาข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงมาให้ดูคือไม่อยากพูดเองนะครับคืนี้ผมไปเอาข้อมูลมาจากห้องสมุดมารวยของตลาดหลักทรัพย์พอจะเชื่อถือได้ไฮะตลาดหลักทรัพย์เชื่อถือได้นะโอเคนะข้างหลังไม่เห็นไม่เป็นไรนะฮะนะครับคือนี้ครับเขาบอกว่านะครับในยุค Internet of Things นะครับ ทุกสิ่งเนี่ยจะเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกต่อไปที่อีกหน่อยนะครับเราเห็นคนเดินกุยกระเชื้อฮัลโหลว่าไงหรือชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์กับแบบพวกเข็มขัดหรือพวกอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะเขาเรียกว่า variable variable คืออุปรกรณ์สวมใส่นี่ก่อนนะฮะ variable คืออุปรกรณ์สวมใส่นะครับเราอ่ะจะเห็นผมใช้คําว่าเห็นข้อมูลร่างกายของเราผ่านแอปโทรศัพท์มือถือก็ได้นะอย่างวันนี้ผมใส่ตัวเนี้ย ผมสามารถเห็นหมดเลยนะว่าความดันผมเป็นยังไงเลือดผมค่าเท่าไหร่นะครับการหายใจผมแบบไหนผมนอนหลับสนิทหรือเปล่าแม้กระทั่งขึ้นไฟฟ้าหัวใจผมยังวัดได้เลยจากเครื่องเครื่องนี้ทีนี้คระพวกนี้ครัมันเป็น variable ที่มันจะเริ่มมีหมดบาทใช่ไห i p อโฟนะ iPhone, มี Apple Watch ซัมซุงมีซัมซุงเกียใช่ไหม ฟิล์มบโฮเวิร์ทุกอย่างเริ่มมีฮะมันเป็นเทรนครับมันเป็นเทรนการตลาดซึ่งเขาบอกว่าเทรนตัว variable พวกนี้นะครับหรืออุปกรณ์ IOT พวกนี้นะครับจะมีมูลค่าสูงถึง35บิลเลียนดอลลาร์บิลเลียนนี่เท่าไหร่ฮะล้านล้านใช่ไหมบิลเลียนล้านล้านฮะแล้วเป็น35บิลเลียนเป็นดอลลาร์ด้วยฮะใหญ่นะครับใหญ่มากบอกเลยฮะว่าคนไทยเราหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นนะครับแว่นตาเสื้อนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับที่จะเข้ามา อันนี้เมื่อกี้เราพูดถึง IoT เนอะคราวนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ IOE ครับ Internet of Everything เลยนะคราวนี้ฮะแม้แต่กระทั่งผมใช้คำว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะกลายเป็นสมาร์ทหมดเลยนะวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนกันแล้วใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำว่า Smart Watch ไหมครับ Smart Watch อะไรนีอีกหน่อยครับ Smart TV เริแล้วมีแล้วเนาะสมาีวพี่ๆจะเจอพวกนี้ฮะสมาร์ทโฮมสมาร์ทคาสมาตู้เย็นนะส mart a i อ Smart Microwave ทุกอย่างจะทํางานผ่านแอปพลิเคชันหมดเลยจะรู้แม้กระทั่งไข่ไก่ในตู้เย็นเหลือกี่ฟองนะผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับหมาคุณชื่ออะไร GPS ติดตามตัวคนว่าอยู่ตรงไหนนะครับเป็นแบบนั้นทั้งหมดนะครับสมัยก่อนเราขับรถเราก็มีแผนที่กระดาษใช่ไหมฮนะใครใครเคยใช้แผนที่กระดาษขับรถบ้างครับมีไหมฮนะสมัยนี้ใช้อยู่ไหมครับใช้อะไรครับ GPS, GPS. รถเริ่มมี G P S แล้วใช่ไหมฮะเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นใช่ไหมฮะรถเริ่มมีพลังงานไฟฟ้าเลไรยังครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมฮะมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับไม่นานนะคะเราจะมีสมาร์ทเราจะมีสมาร์ทคาร์นะครับทีนี้ผมอยากให้ดูนี้ก่อนนะครับอะเมื่อกี้ผมทิ้ง p อย n t Variable ไว้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก p r i b a n d นะแว่นตานะครับหมวกเครื่อง ส, สงสัสหมวกนะถุงเท้ากางเกงนะครับขนาดบราผู้หญิงยังมีแบบโซลาเซลเลยนะคืออีกหน่อยนะคนเนี่ย คนน่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาในตัวตัวคนน่มากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ฮะอ่ะเรื่องบ้านนะครับสมารม์ทโฮมอีกหน่อยนะครับบ้านบ้านย้อนไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วกับบ้านยุค ป, ปัจจุบันเหมือนกันไหมครับ <S <S ไม่เหมือนนะบ้านใครมีเทคโนโลยีมากกว่า10อย่างที่ไบ้างครับทีวีตู้เย็นอะไรวเนี้ยเยอะไหมสตอริโอแอร์อะไรฮะไมโครวเวฟกาต้มน้ำไฟฟ้าเนี้ย เห็นไหมครับคือผมต้องบอกจริงว่าชีวิตคนเราหนึ่งชีวิตเนี่ยนะครับเราเสพอะแล้วก็เราใช้ในส่วนของพวกเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไอทีพวกนี้เยอะมากนะครับแล้วเราก็ยินดีจ่ายด้วยนะครับเพื่อให้ได้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาในบ้านเราทีนี้ทุกอย่างครับเทปที่เป็นสมาร์ทโฮมนะฮะจะถูกสั่งผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยเชื่อมต่อกันด้วย Wi-Fi บนคลาวทั้งหมดเลยนะครับนะฮะอีกหน่อยไม่มีแล้วครับปุ่มหลายๆปุ่มไม่มีแล้วครับจะมีท็บตัวเดียวฮะ รู้เลครับว่าไฟหน้าบ้านเปิดตรงไหนรู้เลยครับว่าแอร์ตรงไหนน้ําตรงไหนนะครับจะถูกควบคุมโดยแผงแบบนี้หมดเลย น, นะครับนี่คือสมาร์ทโฟนนะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์นะจะมีระบบเซนเซอร์ซึ่งทุกวันนี้ก็มีแล้วด้วยแต่อีกหน่อยระบบเซ็นเซอร์ถูกพัฒนาถึงกระทั่งแบบรถไม่ชนกันเลยนะนะครับผู้ประสบเหตุจะน้อยลงนะครับแล้วเราก็สามารถที่ที่แม้แต่กระทั่งนั่งอยู่เฉยๆแล้วให้รถจ GP ิ้มพีจีแล้วไปเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ชนกันเลยนะครับ ทุกอย่างเชื่อมต่อกันบนคลาวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับที่ต้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่ออยากให้ทุกท่านเข้าใจว่ายุคนี้มันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่ง p อย n t หนึ่งนะที่ต้องอยากให้รู้เลยว่าสื่ออิทธิพลที่มีบทบาทมากที่สุดคือโซเชียลเหล่านี้นแล้วมันก็จะเป็นเพียงผมใช้คำว่าเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะเติมเต็มตรงนี้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้หมดเลยนะครับวันนี้ถ้าให้เลือก ลงทุนประมาณแสนล้านในการเป็นเจ้าของธุรกิจสมาร์ทคาร์กับลงทุนพันหนึ่เป็นธุรกิจโซเชียลพี่เอาอะไรคะที่จัดคะเอ้าอันนี้ถามตรงๆเลยนะดีพันเนื้อดีพันเนือะไรดีนะออางั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเงิน 1,000 จะแปลงยังไงนะครับอ่ะคราวนี้นะครับมีใครเล่นโซเชียลนะปัจจุบันนี้มากกว่า3ตัวขึ้นไปบ้างครับ Facebook, l i ์ e ินสตาแกรมมีอะไรฮะกูเกิลพลัส อะไรนะลิงก์เอ็นใช่ไหมมีมีใครเคยเคยผ่านแบบพวกไดอารี่ออนไลน์มั้งทีผมถามเบอนมีใครเคยเขียนพวกเว็บบล็อกต่างๆมั้ยครับมีไหมฮะไม่เป็นไรนะครับทีนี้ีก่อนนะครับวันนี้เนี่ยผมต้องบอ ก, ก, กอย่างบว่าพวกนี้มันคือสื่ออิทธิพลนะครับบนอินเทอร์เน็ตซึ่งค่อนข้างมีมีพลังสูงอนะ่ะคือมีอิทธิพลสูงนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างข้อมูลนะครับเวลาที่เราจะเขียนอะไรไปเราก็ต้องผ่านสื่อเหล่านี้แหละครับ ในการที่จะแชร์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ข้อคิดดีๆรูปภาพคลิปวิดีโอต่างๆเราโพสผ่านสื่อแบบนี้จริงไหมครับโอเคถ้างั้นนะครับมาดูกันก่อนว่าคนไทยนะครับเสพสื่อเหล่านี้เยอะมากนะครับ Facebook นะครับมาเป็นลำดับหนึ่งเลยนะครับ l ลน e นะครับคือสีเหลืองเนี่ยคือพื้นที่การโพสตแต่สีแดงอะ่ะคือกล่องแชทคนไทยเราติดแชทไหพี่ว่าติดหมพวกเราติดแชท ต, ติดจริงๆ นะะ ค, คืออยู่เฉยๆไม่ได้อะนะฮะสมัยนี้คือต้องแชทคือต้องมีการส่งต่อข้อมูลคือต้องต้องรู้เรื่องชาวบ้านต้องแบบยังไงต้องออนไลน์ประมาณนี้ น, นะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อพวกเราอ่ะใช้สิ่งของเหล่านี้อยู่แล้วนะครับคราว น, นี้แหละผมจะบอกวิธีการทําเงินกับมันผ่านโซเชียลเหล่านี้ยังไงนะครับโดยใช้ช่องทางที่ชื่อว่าเพจคิวคนะครับโอเคนะครับทีนี้ต้องอยากให้ทุกคนมารู้จักกับเพจคิวคกันนะครับเมื่อกี้น้ำมาเยอะนะครับเี๋ยวรับทุกท่าโอเคไหมนะครับ คืออย่างนี้คนะถ้าพูดกันตามตรงนะฮะวันนี้มีใครเข้าใจว่าจะได้ขวดคาราฟิลกับบ้านมั้ยฮะพี่ๆวันนี้พี่ๆจะไม่ได้ขวดคาราฟิลกับบ้านนะฮะโอเคไหมฮะอ่ะเราไปดูข้อจจริงอย่างหนึ่งกันน ะ, ะเออมีมีใครเข้าใจว่าอันนี้เป็นธุรกิจขายตรงไหมฮะมีไห ย, ย, ยกยกได้นะยกได้ธุรกิจขายตรงธุรกิจเน็ตเวิร์กแมการ์ติ้งนะครับอ่ะโอเคนะครับผมต้องบอกอย่างก่อนครับว่าวันนี้นะสิ่งหนึ่งที่พี่ๆจะไม่ได้อะไรเลยก็คือเรื่องสินค้า แต่วันนี้ผมจะใ ช, ใช้เขาเรียกว่าเป็นมิติใหม่แล้วกันนะครับเป็นมิติใหม่ของการทำเงินบนสื่อออนไลน์จริงๆนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือเพจ q q วนะครับเพจค q คืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกอกันก่อนว่าเพจ q q เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเหมือน Facebook เหมือน l ล n e เหมือน Instagram เหมือน t w i t t e r นะครับแต่เขาก็จะมีรูปแบบเฉพาะของเขานะครับ Social Network นะครับที่ทำให้พวกเราทุกคนนะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเชื่อมต่อกันได้นะครับในโลกของออนไลน์นะครับทีนี้ฮะเขาเป็นพื้นที่ในการแสดงข้อมูลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสเตตันะครับรูปภาพคลิปวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันแชร์กันให้เห็นนะครับเป็นพื้นที่ผู้ใช้งานเฉพาะแสดงว่าถ้าจะใช้เพจต้องมี User กับ p าส s ว o r d ไหมครับมีเพราะว่าเป็น ผู้ใช้งานเฉพาะพี่เล่น Facebook พี่มี User อรกับพาสเวิร์ดไหมมีไล ne มีไหฮะมีทุกอย่างต้องมี User อรกับพาสเวิร์นะครับเพราะเปน็นพื้นที่ใช้งานเฉพาะนะครับแต่ว่าที่นี้ฮะโดยมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเวอไวเว็บเสมือนว่าเราอ่ะเป็นหุ้นส่วนกับเวอไวเว็บเลยนั่นหมายความว่าวันนี้ครับเราจะได้ผลตอบแทนกับเวอรไวยเว็บด้วยนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ฮะปกติเราใช้ Facebook เราสมัครฟรีจริงไหมครับสมัครฟรีนะนะครับ แต่พอมาเป็นเพจยู q ครับเราไม่ได้สมัครฟรีนะครับเรามีการซื้อพื้นที่คอนเทนต์เป็นลิขสิทธิ์ของเราเลยนะครับซึ่งนะครับตัวนี้เราจะกลายเป็นเหมือนหุ้นส่วนกับเวเว็บเลยนะครับแล้วทุกคนจะสามารถสร้างไรายได้ครับจากการใช้งานแสดง ว, ว่าวันนี้คุณต้องใช้งานตัวเพจย q คนะครับแล้วก็ขยายกลุ่มผู้ใช้เฉพาะของตนด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้มันมีการชวนเพื่อนเพื่อมาใช้งานได้แล้วคุณก็สามารถสร้างไรายได้จากการชวนเพื่อนใช้งาน Facebook เราเคซชวนเพื่อนเราได้เงินไหม ไม่เคยจริงไหมไลน์ยชวนเพื่อนเราได้เงินไหมวันนี้เธอสมัครเฟซบุ๊กหรือยังทุกวันนี้เรามีเฟซบุ๊กกันทุกคนใช่ไหมครับเรามีเองหมมันมีคนมาชวนเราจริงไหมหรือว่าเร า, เ ร, ารู้ข่าวสารนี้จากการที่สื่อใดสื่อหนึ่งเป็นคนมาชวนเราจริงไหมครับ <S <S นี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ตอมใหญ่จะให้ทุกคนเห็นก็คือวันนี้เราชวนเพื่อนใช้งานโซเชียลตัวนี้เช่นกันกับเราแต่เราจะมีรายได้ตรงนี้ด้วยนะครับโดยการเรียงลาดับโครงสร้างของผู้ใช้ในโครงสร้างแบบเวิร์ลไวด์เว เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนสรุปก็คือมันเป็นกร่องข้อความนะครับบนบนอินเทอร์เนตนี่แหละนะครับที่เราจะเขียนอะไรลงไปก็ได้โดยที่เราอ่ะมีรายได้จากตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคมาดูกันนะฮะมันก็เป็นในลักษณะแค่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานกันนั่นงครับปกติตัวเราเนี่ยเราจะโพสต์อะไรเราจะโพสต์ไปเลยใช่ไหมจะโพสรูปก็โพสลง Facebook ได้เลยโพสต์ลง Google ได้เลยนะครับโพสตคลิปก็ลง YouTube ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรจริงไหม วันนี้ขอแค้เปลี่ยนพื้นที่การใช้งานนะครับคือข้อมูลของเราเนี่ยก่อนจะโพสต์ให้เขียนบนเพจคิวๆก่อนครับไม่ว่าจะเป็นสเตตัสเป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอนะครับจากนั้นครับคอนเทนต์ที่เราสร้างไปเนี่ยนะครับเราก็จะแชร์ไปตามที่ต่างๆเช่นกูเออเช่น Google p ลั s Facebook l i ์ e i n s t a g r a m t w i ตเ e r เพื่อให้คน เ, นเห็นนะครับพอคนเห็นเขาจะคลิกเข้ามาดูครับเมื่อมีการคลิกเข้ามาดูนั่นแหละครับก็คือเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทันหม ใครใครนึกภาพไม่ออกว่าหน้าตาคอนเทนต์เป็นไงให้จินตนาการตามผมนะทุกทุกคนมี line ไลน์ไหมครับอยู่ในห้องนี้มีไม้มฮนะมีเนาะวันนี้ถ้าเราเปิดไปในไทม์ไลน์เราจะเจออะไรนะ Line Today ใช่ไหมครับไลน์ทูเดยเป็นอะไรฮะมีหัวข้อข่าวมีอะไรฮะกีฬาดาราดูดวงแล้วเราก็กดเข้าไปดูจริงไหมครับแล้วมันก็เด้งไปอีกเว็บนึงจริงไหมนั่นแหละครับเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครับเมื่อมีการกดเข้าไปดูนั่นแหละครับนั่นคือเงินของเขา วันนี้เราจะทําในลักษณะของคอนเทนต์รูปแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเราอ่ะมีผลต่างตอบแทนนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือหน้าโฮมเพจซึ่งจริงๆเปลี่ยนเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วนะนะครับอัปเดตเวอร์ชันเป็น 2.0 แล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันหน่นย์อยู่นะครับอันนี้คือหน้าดัชบอร์ดของเรานะครับในการควบคุมดูแลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งการเงินนะครับการสร้างคอนเทนต์นะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอ่ะโอเคมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างจากโปรเพจคิวคิเนาะ นะฮะหเลยนะครับรายได้จากการขายพื้นที่ผมเน้นย้ำใช้คาว่าขายพื้นที่50เซนะครับ2ก็คือรายได้จากโครงสร้าง 1% ของสมาชิก20ิบเจเนอเรชันนะครับ3ก็คือรายได้จากการบริหารสมาชิก10บเปอร์เซ็นนะครับสคือวิวคอนเทนต์นะครับหคือการเป็นเซ็นเตอร์นะตอนนี้นะครับผมใช้คำว่าณตอนนี้มี5้าอย่างนะครับมี5รูปแบบการเงินนะครับเอามาดูอันที่หน่ก่อนง่ายมากนะครับอร่อยไหมครอร่อยเนาะนะฮะ มาดูแบบที่หนึ่ก่อนนะครับราย้จากการขายพิ้นที่ 50% นะครับ 50% นี้นะครับง่ายๆนะครับคือบางบางครั้งเนี่ยเราเราเราไม่จําเป็นต้องยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าแผงการตลาดปกติเราเคยทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมาเคยทาขายตรงมาเราจะต้องให้เขาดูแผนหน่อยขอผ่าหน่อยอันนี้ไม่ต้องนะไม่มีนะมันถูกคิดขึ้นโดยคนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นมันจะสื่อสารเข้าใจง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยเล่นเพจคิอยู่ รเราสมาัคสมาชิกเปนเพจยูทูบแล้วนะครับเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนของเราจริงไหมที่เขายังไม่ได้ที่เรายังไม่ได้ใช้งานเราแค่ชวนเขาใช้งา น, นครับจบแล้วไม่ต้องหวางล้อไม่ต้องขายเครื่องกรองน้ําหรือสาธิตสิทธาอะไรโอเคไหมฮะวันนี้นะครับแค่ชวนเขาใช้เพจย q ทแค่บอกให้เขารู้ว่าวันนี้เขาแค่เปลี่ยนที่โพสต์เขาก็สามารถทําเงินได้แล้วนะครับใครที่ b ไอเดียของเรานะครับเข้าใจว่าเฮ้ยยุคสมัยนี้มั น, ม, นมันกำลังเปลี่ยนแล้วนะ แล้วเขาสามารถหาเงินได้จากเขาเรียกว่า Air Time ครับคือเงินในอากาศนะครับเขาก็จะเซเยสกับคุณนะครับเมื่อมีการซื้อพื้นที่1ครั้งนะครับค่าสมาชิกในการซื้อพื้นที่1000บาทนะครับหนึ่งบาทครั้งเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทตลอดชีวิตนะครับ1000บาทเนี้ยนะครับเราจะได้รายได้จากการขายพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครเข้าไปในระบบเรียบร้อยจ่ายภาษีเรียบร้อยแล้วเราจะได้ที่ 50% นต์ะครับนั่นหมายความว่าชวน1คนได้ ห้าร้อยครับให้ฝ่าระวังในการสื่อสารนิดนึงนะครับเพราะว่าคนไทยตกใจง่ายคนไทยตกใจง่ายวันนี้ได้รัเพื่อนคนหนึ่งได้หุงมละห้าร้อยเฮ้ยคุณว่าคำนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวนะถ้าฟังคำนี้ปุ๊บความรู้สึกเป็นไงน่ากลัวติดลมเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยจบแ้วหมอคิววันนี้หรือเปล่าคือ คือปกติเนี่ยเราติดภาพเดิมๆกันมาเยอะถูกหลอกโดนโกงโดนหักหัวคิวอะไรเงยเยอะแยะไปหมดเลยนะที่เราเคยผ่านมาคือจริงๆเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ความรู้สึกในเรื่องของภาษาเลยนะครับผมอยากจะบอกกันว่าคือข้อนี้นะครับอันนี้อยากจะให้ความรู้นิดนึงนะครับตอนที่ก่อนที่จะออนไลน์กันนะเอาเอาในส่วนของแผนตรงนี้นะครับไปคุยกับทางสงบสงบสบบคืออะไรฮะ ร, รู้ไหมรุ่นนี้รู้ไหมสบบคืออะไรนะฮะดังๆหน่อยฮะ คุณทองคุณไปรมใช่ไหมครับสคบบอกว่านะครับถ้าคุณนะครับใช้คาว่าค่าแนะนำค่าแนะนำนหรือ Fast Start นะ้ผิดกฎหมายทันทีครับผิดกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครทำธุรกิจขายตรงอยู่แล้วมีค่าแนะนำหรือ f า s t Start เกิน 20% ให้คุณเข้าใจเลยว่าส่วนทะเบียนโอเคไหมนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านะครับค่าขายพื้นที่5้านนั่นหมายความว่ามันไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของการขายสินค้าครับ มันเป็นพื้นที่คุณจะขายกําไรเท่าไหร่ก็ได้ 70% ก็ได้ร้อยอร์เังได้ครับแต่วันนี้ครับนะครับใช้5 0าร์เรายได้าจากการขายพื้นที่ฟังคพน์นี่นะครับสคบไม่ได้บอกนะครับว่าของเราผิดกฎหมายเพราะว่าจัดหมวดหมู่ให้ไม่ได้แต่ไม่ได้ผิดนะครับเดี๋ยวมีทะเบียนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องนี้นะครับทีนี้ผมต้องบอกก่อนครับว่า สบปแนะนําคําพูดให้ใช้เองเลยคือไฟเขียวให้ใช้คือคุณไม่ต้องจดก็ได้เพราะว่าของคุณเป็นมิติอีกมิติหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นผู้ใช้ไม่ไม่ได้เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เกิดมีเรื่องผิดกฎหมายมันจะผิดแบบนี้สมมุติผมนะผมใช้เพจคิ Q, แล้วผมก็ขายรองเท้าผมขายรองเท้าแล้วก็มีสมาชิกเพจคิวคิเห็นคอนเทนต์ผมแล้วก็อยากซื้อรองเท้าโอนเงินไห้ผมผมไม่ส่งองอเท้้าให คำถามคือเขาฟ้องใครครับฟองผมไหมเพราะผมชอบโกงจริงไหมผมไม่ได้ส่มท้าให้เขานี่หรือหมิ่นประมาทสมมติหมิม่นประมาทหมิ่นประมาทฟ้องใครครับฟ้องเจ้าของจริงไหมฮะฟ้องเจ้าของคนที่หมิน่นถูกต้องไหมครับมันถูกควบคุมด้วยพรบอคอมพิวเตอร์ครับนะฮะมันถูกควบคุมด้วยพรบคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับอ่ะโอเคเมื่อสคบบอกว่าโอเคให้คุณใช้คํานี้นะขายพื้นที่5้ซนะครับคุณจะไม่โดนเรื่องกฎหมาย2 เขาก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่ามันเข้าข่ายของการลงทุนหรือมานี่เกมไหมนะครับมีใครคิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจลูกโซ่ไหมลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่แชร์แชร์แชร์คาถามฮนะวันนี้มีอะไรในโลกนี้ไม่เป็นลูกโซ่บ้างมีไหม ม, ม, มีไห ม, ไ ม, มคําว่าลูกโซ่คําว่าลูกโซ่แชร์เป็นเป็ น, ปนพอพูดออกมาแล้วเรารู้สึกลบเนาะที่มันลบเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ โนหลอกมาเยอะอะไรฮะจริงๆครับมันดูแค่นี้เลยฮะทุกอย่างมันเป็นลูกโซ่หมดละในโลกนี้ทุกอย่างเป็นลูกโซ่เลยนะนะครับคุณเดินออกไปซื้อไก่ย่างเนี่ยคุณว่าร้านขายไก่ย่างเนี่ยเวลาเราไปซื้อเนี่ยไก่มันมาเป็นไก่ย่างเลยไหม <c oughs> มันมีไก่อย่างฟาร์มจริงไหมฮแล้วพ่อค้าจากตลาดก็ไปซื้อไก่จาก <c oughs> ฟาร์มเอามาขายส่งให้ตลาดจากนั้นเจ้าของกิจการก็ไปซื้อไก่ที่ <c oughs> ตลาดมาย่างให้เรา โดนไปกี่หัวทิวครับแม่ค้าใช้ของออนไลน์มีโรงงานผลิตจริงไหมฮะดิลเลอร์ขายส่งขายปลีกตัวแทนหลักตัวแทนย่อยผู้บริโภคโดนไปกี่หัวทิวครับเ <C le af> พราะฉะนั้นผมบอกฮ ะ, ะมันไม่มีฮะบนโลกนี้ทุกอย่างเป็น <C le af> เขาเรียกว่าในลักษณะของปฏิกิริยาเชนส์อ ะ, อะไรที่ททแปลเป็นไทยว่าลูกโซ่ น, นะฮะ <C le af> คือมันไม่มีครับเราดูแค่ว่าวันนี้มันถูกหรือผิดกฎหมายพอแล้วโอเคไหม เราดูแค่ว่ามันผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายโอเคไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแจกแจงให้ฟังว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจแบบถูกกฎหมายยังไงและขาวยังไงนะครับถ้ามันมีที่มาที่ไปของเงินสามารถแจกแจงได้ว่าเงินของคุณเนี่ยที่สมัครไป1000บาทเนี่ยมันไปจากตรงไหนบ้างมันจ่ายภาษีอยู่ต้องตามกฎหมายนั่นแหละครับเขาเรียกว่าขาวธุรกิจบนโลกนี้มีแค่ขาวเทาดํามีสาอย่างนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่เคยทําธุรกิจสีเทาไม่เคยทำธุรกิจสีดำ ผมเลืผมทำแต่ธุรกิจสีขาวนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้นะครับพี่ๆทุกคนก็อยากทำธุรกิจสีขาวจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อยากให้สบายใจนะครับว่าช่องทางตรงนี้นะครับก่อนที่จะออนไลน์ก่อนที่จะรับเงินเนี่ยเราคุยเรื่องของกฎหมายหมดแล้วนะครับนะครับสบายใจได้นะวันนี้โอเคหมนะครับทีนี้ฮะกลับมาที่ข้อที่1งก่อนนะครับเราแนะนำหนึ่งคนเราเราแนะนำหนึ่งคนเราได้ยอดขายนที่เท่าไหร่นะครับเเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 500ร้อของพี่นะครับมีภาษีรายได้ 5% นด้วยนะครับจ่ายถูกต้องตามกฎหมายโอเคไหมครับโอเคนะเงินทั้งหมดนะครับจะถูกแปลงเข้าเป็นคูปองอยู่ในระบบก่อนนะครับเราใช้หน่วยคูปอง1 Q ึ่เท่ากับห้าบาทนะครับนะฮะหมายเหตุนฮะเงินจะถูกคิดออกมาเป็นคิในระบบก่อนเสมอนะครับไม่มีการหักออกนอกระบบนะครับจะไม่มีนะจ่ายไป1น0 0ปุ๊บหักเอาห้าแล้ว500เข้าบริษัทไม่มีนะครับอันนี้เรียกกกินหัว Q ิวนะครับอันนี้เงินจะถูกผ่านระบบก่อนนะครับถูกแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตัวที่2 ครับข้อที่1เนี่ยมันเป็นไรายได้ของการเดินงานเนาะเป็นเงินเร็วทีนี้เนี่ยไรายได้ข้อนี้จะเป็นไรายได้ที่พลิกชีวิตทุกคนนะครับทำไมวันนี้เงิน1พันบาทถึงจะกลายเป็นเงินหลักรานได้ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจดูข้อนี้ดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะถ้าใครเข้าใจข้อนี้นะผมบอกเลยครับว่าพลิกชีวิตเลยนะครับอ่ะปกติเราจะเคยเห็นแผนธุรกิจ M L M เนาะมีทั้ง u ยู่ในเลเวลสเตอปไนนารีไนนรีอะไรฮะโอ้เยอะแยะเลยเนาะใช่หครับ ผมบอกเะว่าให้เราวางภาพเดิมๆออกเลยนะครับวางภาพเดิมๆออกเลยนะครับที่นี่จะมีแค่การเรียงลําดับชั้นเท่านั้นแต่ว่ามันเรียงในลักษณะของโครงสร้างให้จ่ายเงินง่ายที่สุดแล้วขยายผลต่างกอบแทนให้ง่ายสุดก็เขาเรียกว่า binary ครับคือหแต่2เท่านั้นเป็นเพียงการเรียงลําดับนะครับไม่มีจับคู่ซ้ายขวาไม่มีหาแต้มตกไม่มีขาอ่อนขาแข็งโอเคไหมครับโอเคนะครับคอมพิวเตอร์จะเพรสคนเวลาเรียงลําดับแบบอัตโนมัตินั่นหลายความว่าถ้าวันนี้ผมชวนเพื่อน2คน ส ม, สมัครเสร็จลุ้นเขาก็จะถูกเพลสไปแค่ซ้ายและขวาผมสมัครคนที่3ามคนที่4ี่ก็ถูกเพลย์ทไมออโตโอ้สแสดงว่าวันนี้มันจะเรียงลำดับชั้นเป็นตับเป็นตับเป็นตับเป็นตับเป็นตับลงไปนะครับแบบแน่นๆเลยตรงไหนมีรูร่วงมันจะไปอุดตรงนั้นมีทีมงานขยายอะไรมันก็จะไปอุดตรงนั้นทั้งหมดฮะภายใต้สามเหลี่ยมของตัวเองเท่านั้นนะครับขอวงเล็บตรงนี้นะภายใต้สมเหลี่ยมของตัวเองเท่านั้นไม่มีการกระโดดข้ามไปวานที่อื่นนะครับของตัวเองเท่านั้นนะครับ แต่ทุกคนนะครับจะมีส่วนต่างตอ บ, บแทนจากนี้ด้วย 1% นะครับอ่าสมมุติผมมี a อบอก็สรา้างแบบนี้ฮะแสดงว่าทุกคนก็จะมีสามเหลี่ยมของตัวเองใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับอ่ไม่ไม่เห็นไม่เป็นไรนะฮะชั้นที่1 น, นะครับชั้นที่1 น, นั บ, น, บนับจากนับจากชั้นแรกของเรานะฮะจะมี2คนนะครับใครรู้จักกฎการทวีคูณบ้างเคยั้ยฮะสเป็น4ี่ 4เป็นแ 8, 8, 8เป็น1ิบหกสไล่ลงมาเรื่อยเราจะได้ 1% อย่างนี้นะครับ20ิชั้นนะครับคำถามคือแบบนี้ผมอยากให้เห็นข้อเท้จริงข้อนึงนะครับแล้วทุกท่านจะตกใจเลยว่าเฮ<ร>้ยอันนี้ใช่ว่ะพี่ๆดูตรงนี้นะ20สชั้นตรงนี้นะครับในกฎพีคูณนะครับชั้นสุดท้ายเนี่ยจะมีคนเนี่ยหล้าน้าคน รวมทั้งหมดนะครับ20ชั้นี้จะมีคนประมาณ2ล้าน user ด้กันผมตีกลมๆ2ล้าน user กว่าๆด้วยนะครับ2ล้าน user คำถามคือว่าวันนี้เราเคยเห็นบริษัทขายตรงบริษัทเน็ตเวิร์กเมดติ้งไหนทําคนได้ถึงล้านคนไหมครับเคยไหมมาดูข้อที่จริงกันนะเคยไหมพี่ไม่เคยนะผมอยู่ในวงการเน็ตเวิร์กเมดติ้งมาก็เยอะนะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยู่มานานกว่าผมด้วยหลัก10ปีขึ้นไปมีไหับในห้องนี้มีนะ เคยเห็นไมพไมี่ไม่เคยไม่เคยแต่ที่หลักแสนคนก็เก่งแล้วอ่ะหลักแสนคนก็เก่งแล้วอ่ะคําถามคือว่าวันเนี้ยถ้าผมพูดพูดถึงจํานวนตัวเลขสองล้านคนเนี่ยถ้าเป็นปริาัทขายกองบกนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นไม่มีเลยนะเพราะเราไม่เคยเห็นมันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกว่าหลักฐานมาก่อนในอดีตกลับมาดูตรงนี้ครับผมคําถามถามใหม่นะพี่ว่าวันนี้ยคนเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกเนี้ยมีกี่คน เขาเล่นกันหลักพันล้านเนาะเพราะฉะนั้นนะสองล้านคนนะเป็นเรื่องที่ประติวเลยครับวันนี้ Facebook มีคนสมัครใหม่ไหมครับมีครับมีมีคนสมัครไลน์ใหม่ไหมครับเยอะครับไม่มีวันหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องอยากให้ทุกคนเห็นคือข้อแท้จริงในเรื่องของทุกคนเล่นโซเชียลกันแทบจะทั่วโลกอยู่แล้แค่ในประเทศไทยเราก็เกือบเจล้านคนเนาะใช่ไหมครับทุกคนมีหมดเพราะฉะนั้นครับตรงเนี้ย โซเชียลมันเป็นลักษณะของการแตกตัวกระจายแบบไฟลามทุ่งหญ้าแห้งมันเร็วมากนะครับทีนี้ครับผมต้องบอกกันว่านะครับแรกๆเนี่ยนะฮะไอ้ 1% นะครับมันจะไม่เยอะหรอกครับมันได้มาจากค่าสมัครด้วยมันได้มาจาก Service System ด้วยเดี๋ยวแจ้งให้ฟังนะครับสมมุติว่านะครับมีคนสมัครเข้ามาครับ2คนตึ้งๆตรงนี้นะฮะี่จะได้ 0.4 คิคเอาเอาคูณก็เท่าไหร่ฮะบาท ยนะี่าิบปนะเยอะไหมนิดเดียวใช่ไหมครับชั้นที่2ครับมี4คนนะครับได้ 0.8 คิวนะครับชั้นที่3 1.6 คิว 3.2 6.4 12.8 นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆมาดูชั้นนี้กันชั้นที่4ครับชั้นที่10เนี่ยนะครับจะได้ 204.8 คิวเมื่อกี้จำคิวได้ไหมครับคิวคือเงินที่เกิดขึ้นในระบบนะครับ สองร้อยสี่จดแปิเดี๋ยแสดงว่ารวมทั้งหมดสิบชั้นตรงนี้พี่มีสี่ร้อยเก้าจุดสองคิสี่ร้ยเ้าจุดสองคิวเอาห้าสิบคูณได้เท่าไหร่ครับสองหมื่นไหมสองหมื่นบาทจากเงินเท่าไหร่ครับพันเดียวนะครับสองหมืนบาทจากเงินพันเดียวนะยังไม่เยอะเท่าไหร่ผมบอกอย่างงี้ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาดูตรงนี้ดีครับชั้นที่ยี่สิบดูนะฮะชั้นที่ยี่สิบนะครับ ชั้นเนี้ยนะครับจะมีอคิวรวมนะครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งลงไล่ ล, ลงมาเลยนะนะครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งไล่ ล, ลงมาเลยครับถึงชั้นที่ยี่สิบนะครับคน2ล้านยูเซอร์ตรงเนี้ยนะฮะจะมีคิวรวมอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งเกันสี่อสาสิคิวเอาห้าสิบคูณครับเท่าไหร่ครับยี่สิบล้านยี่สิบล้านตกใจไหมทาไมเงียบขนาดนี้ล่ะ <S <S <S นะฮะหนึ่งันบาทแปลงเป็นยี่สล้านทนะ่านตกใจไหมตกใจแต่ผมบอกเลยนะถ้าใครเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมากด น, นะ ผมจบวิศวกรรมม า, ก, ก, มา ก, ก่อนผมมาพูดนี้ผมดีดดูหมดแล้วนะฮะไม่ต่ำกว่าสองรอบนะครับผมดีดดูหมดนะครับคือตัวเลข <S <s <ummer> <S ผมบอกอย่งตัวเลขไม่เคยโกงตัวเลขคือความจริงจากพระเจ้าที่ไม่คีโกงเลยพี่เอา2อบกสก็ได้สี่อ่ะ <uk> พี่เอาสี่คก็ได้แปดตัวเลขมันไม่เคยโกงนะครับถ้าวันนี้นะครับมันเป็น2อล้านยูเซอร์ตรงเนี้ยแล้วหน่วย Q ิเนี่ยพี่ได้4ี่แสนหหมื่ันรวมกันเนี่ยพี่ได้20บล้านจริงๆจากเงินหนึ่งพโอเคไหมครับแบบนี้ โ <Okay, S 2> <Okay. S 1> อเคตอกเงินนะฮะ <Okay. S 1> ไม่ต้องทำถึงยี่สิบล้านก็ได้ <Okay. S 1> รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยอาจจะมองไม่ถึงเ <Okay. S 1> งินยี่สิบล้านเอาจริงจริงจริงป่ะมองถึงไหมไม่ถึงหรอกอคาถามคือถ้าเป็นจากเงิน1นึ่พันแต่เป็นเงินสักแสนงได้โอเคไหม <Okay. S 1> จริงจริงคือผมต้องบอกก่อนครับว่าสามเหลี่ยมนี้นะครับมันมีไาม์มิ่งของมัน แต่ว่ามันเต็มแน่ๆ่ะเพราะว่าอะไรนะคอมพิวเตอร์มันเพรสอัตโนมัติงี้นะครับคือเมื่อมีการสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยมันจะถูกเพรสอัตโนมัติต่อให้คนใดคนหนึ่งนะสมัครมาแต่ไม่ทมํานี่ยกมบอลเลยกสามเดี่ยมก็เต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันถูกเพรสออโต้ครับมันเกิดการขยายแตกตัวนั่นหมายความว่าวันนี้นะมันถูกออกแบบมาให้คนน่ยไม่ต้องเก่งก็ได้ไม่ต้องมาจับคู่ซ้ายขวาครับไม่ต้องมาวางแทนกันตลาดใครอยู่ตรงไหนไงมันถูกเพรสออโต้มันถูกเพรสออโต้นะครับทีนี้ครับ ยี่สิบล้านเนี้ยพี่จะได้แค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะพี่ฟังผมดีนะยีล้านพี่ได้ก้อนเดียวนะครับจากเงิน1น0 0งบาทแต่หลังจากนี้ละ่ะจะได้อะไรเนี่ยคือคําถามผมบอกเลยครับว่าพี่ได้20ล้านเนี้ยชีวิตพี่พลิกแล้วละ่ะครับแต่หลังจากนี้สิ่งที่พี่จะได้คือพาสซีฟเดือนละ6ล้านครับมายัางไงฟังเลยฮะพาสซีฟเดือนละ6ล้านมาอย่างไง ตรงนี้นะครับเราจะมี Service System เราไม่มีสินค้าอู่โพกบริโภนะเราจะมีแค่ System เราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินสด Service ด้วยนะครับให้ทุกคนบริหารคิวที่เกิดขึ้นในระบบ Service System เดือนละ6คิว1คิวเท่ากับ50บาทแสดงว่า6คิวเท่ากับเท่าไหร่ครับาม้300บาทถ้าบริหารเงินสัก300บาทต่อเดือนแล้วเอาเดือนนึงสัก1 0น0นึงครูครูครูเอาี้ก่อนครูม บริหารเงินสักสามรอบาทแล้วเดือนหนึงได้สักหกล้านคุ้มไหมครับคุโคตรคุ้มเลยที่มีคนมาบอกผมไหมนะพี่ต้องจ่ายเดือนละสามร้อยเลยเหรอโอ้บริหารเงินสามร้อบาทไม่ได้มันจะเอาหลักพันจริงเหรอมันจะเอาหลักแสนจริงเหรอยี่หอหลักร้านจริงเลยเนี่ยคือเงี้ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเห็นแบบว่าไอเซิร์ฟเว s ร์กซินะครับนั่นหมายความว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เวลาที่เราจะถอนมาให้คาระบบไว้หกคิวแค่นั้นเองแต่ละเดือนไม่ต้องจ่ายเงินสดนะครับ โอเคไหมครับแบบนี้บริหารได้ไหม <Okay. S 1> ได้นะนะครับทีนี้ดูนะครับเมื่อมีการเซ r ร์ c ิสซิสเต็มเดือนละ6คิวอะไรจะเกิดขึ้ น, นครับเราจะได้ 1% จาก300บาทนี้ด้วยนั่นหมายความว่า 1% ของามบาทเท่ากับ3บาท3บาทนะ3บาท2ล้านคนเท่าไหร่ครับนั่นแหละครับ <c oughs> สิ่งที่พี่จะได้เมื่อ3มเหลี่ยมตรงนี้เต็มพี่จะได้พาสีเดือนละ6ล้านบาทตลอดชีวิตเลยโอเคหครับ เอาไม่ไม่ตรงกันหน่อยนะฮะโซเชียลเน็ตเวครับ Social Network อะไรก็เป็นไปได้ทุกวันนี้พ่อหายยังตามเจอเลยจริงไหม Social Network พ่อหายยังตา ม, มันเจอเลยนะครับคือรู้ข่าวหมดนะครับเพราะฉะเเน็ตกมันจะไปไวมากผมบอกเลยมันจะไปไวมากตรงนี้นะครับเอาแค่ในประเทศไทยนะผมว่าไม่นานอแ๊บเดียว โซเชียลที่ชื่อว่า Facebook เข้าในเข้ามาในประเทศไทยปักเดียวท่านนักตัคนไทยใช้ Facebook หมดเลยอีกหน่อยฮนะผมบอกเลยครับว่าเมื่อมีการเปิดเวิร์ลไวดเมื่อไหร่นะพี่ๆจะมันมากเลยเพราะว่าเงินจะไหลเข้ามาในประเทศคนจะใช้เยอะมากคนจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานจากการตั้งสเตตัสเป็นตั้งคอนเทนต์ทันทีเลยเพราะคอนเทนต์ได้เงินครับอ่ะทีนี้มาดู ก, ก่อนนะครับช่วงที่สแสดงว่านะครับอ่ะนะฮะอัตรา ก, การแลกเปลี่ยน1นึ่งคิวต้าบาทนะครับ สแสดงว่าเงินตรงนี้สรุปสรุปนะ20ล้านก้อนแรกเมื่อสามเหลี่ยมเต็มนะครับแล้วแพ้10เดือนแล้ว6ล้านกินตลอดชีวิตนะครับจากเซอร์วิสซิสเต็มทุกท่านเข้าใจไหมตรงนี้<ช>โอเคนะครับถ้าใครไม่ได้เซอร์วิสไม่ได้ 1% จะเซอร์วิสกันไหมฮนะเซอร์ว<ช>ิสที่บ้านเนาะนะฮะ<ช>โอเคนะครับทีนี้ไรายได้จากการบริหารครับรายได้จากการบริหารนะครับ 10% บางครั้งเนี่ยสิ่งที่คนกลัวให้สุดคือทําใบสภาพบริษัทเจ๊ง<ช>กลัวไหม กูแ้ทำไปสักพักเนี่ยโอเวอร์เพย์เจ๊งเลยรู้ไหมครับที่เจ๊งเพราะอะไรหนึ่งเลยนะฮะผู้บริหารชั่วเอาเงินอกงระบบจริงไจริงอันนี้พเรื่องจริงนะ 2> ส2งจ่ายโอเวอร์เพย์จ่ายโอเวอเร์เพย์มีแค่สอันแค่นี้นแหละทีนี้มาดูกันที่จ่ายโอเวอร์เพย์เพราะว่าอะไรรู้ไหครับ 1. มี m a มีแมทชิ่งมีเด้งอันนี้เรื่องจริงนะบริษัทไหนที่มีมีแมทชิ่งมี มีเด้งเนี่ยสักพักหนึ่งโจวว่เพนะครับทีนี้อย่างนี้ก่อนนะครับเราได้จากการบริหารสมาชิกตรงเนี้ยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันเป็นเรื่องของคนกับคนไม่ใช่บริษัทกับคนละเราเรียกว่าการบริหารลักษณะแบบนี้ฮสมมุติว่าตัวเรานะครับเออผมยกตัวอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องอ่านในนี้ฮะผมยกตัวอย่างนี้นะผมอ่ะเอาพี่ดีกว่าพี่ดีกว่าพี่ผู้ชายนะพี่ผู้ชายนะครับมีสมาชิกที่พี่พี่ผู้ชายแนะนำตรงตรงเลยฮะสิบคน 10คนเลยครับติดตัวเลยครับแล้ววันนี้พี่ก็ไปช่วยให้เขาอ่ะมีรายได้คนละ1ล้านบาทมีได้คนละ1ล้านเลยนะครับรายได้ข้อนี้จะเกิดจากการที่10คนเนี้ถอนคิวออกจากระบบเท่านั้นพี่ถึงจะได้นะสิบเแสดงว่าถ้าเขามี1ล้านเขาถอนคิวออกจากระบบนะครับพี่จะได้เท่าไหร่ครับ 5? 5? คนละ 10,000 แใช่ไหมคนละ 10,000 แใช่ไหมคนละ1นึ่งแสนสิบ <5? S 1> คนเท่า ก, กับเท่าไหร่ครับ1ล้านหนึ่ง แสดงว่าสิคนที่มีการถอนเงิน1ล้านได้เท่าไหร่ครับได้เ0้าแสนฟังใดีนะครับในเก0 0แสนนะครับแต่วันนี้ตัวเราฮนะตัวเราก็มีผู้สปอนเซอร์ตัวเรา1คนจริงไหมครับ1คนนะเรามี1ล้านจากสิคนเมื่อกี้แต่ถ้าเราถอนคิวออกจากระบบเช่นกันเขาก็จะได้จากเราหน0 0 0แสนเหมือนกันนะครับฟังดีนะถ้าข้อนี้สื่อสารไม่ดีส่วนใหญ่คนไทยจะกลัวเสียแต่ไม่กลัวได้ตัวพี่อ่ะ ตัวพี่อ่ะพี่สามารถผมใช้คําว่าแหวกแล้วกันแหวกปกติภาษีมูลค่าเพิ่มเอันนี้อันนี้ผมขอใช้คำว่าคนแหวกคนนะ10อโอเคไหม เ, เราอ่ะสามารถแหวกใครก็ได้กี่คนก็ได้ 10% จากทุกคนแต่เราอ่ะก็ต้องเสียแหวกให้คนนี้แค่คนเดียวแสดงว่าพี่ได้จากคนน่ยกี่คนก็ได้นะครับพี่ได้จากคนกี่คนก็ได้นะครับแต่ต้องให้ข้างบน1คนโอเคไหมครับโ อ, โอเคนะ System จะไม่มีการแบ่งรับการใช้จ่ายตรงนี้นั่นหมายเขาว่าช่องทางทาเงินเนี้ยจะอยู่ได้ผมมองเป็นข้อดีนะช่องทางทาเงินตรงเนี้ยอยู่ได้นั่นหมายเขาว่าเมื่อไม่มีการโอเวอร์เพย์นะครับพี่จะสามารถทาเงินตรงเนี้ยไปตลอดเลยถ้าวันนี้มีใครถามว่าบริษัทจะล้มไหมผมบอกฮะมันไม่ล้มครับเพราะว่ามันไม่จ่าย o ay, โอเวอร์เพย์ครับโอเคไหมฮะมันจ่ายไม่ได้นะครับโอเวอร์เพย์ ay, นะครับมันจะล้มนะครับสิ่งหนึ่งครับต้องสื่อสารนี่แหละครับในเรื่องของการกลัวเสียไม่กลัวได้นี่แหละครับ เพราะเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะเราอ่ะได้มา 900,000 แต่เราให้คนหนึงแสนหนึโอเคไหมฮะโ อ, โอเคนะคนะครับได้เฉพาะเมื่อเขาถอนคิวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับรายได้ข้อ4จาก View Content นะครับอันนี้แหละคือการที่ทุกคนอนะ่ะโพสต์แล้วได้เงินนะครับอยู่ที่ข้อ4นี้นะครับผมต้องบอกอยกางนี้ว่ารายได้ข้อ1เนยได้ข้อ1เนี่ยมันเป็นเงินให้เราเหมือนกับว่าเราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราได้ ครับเช่นค่าน้ำมันนะครับค่ากินค่ากับข้าวแบบนี้นะครับรายได้ข้อที่2องเป็นรายได้ที่ทําให้คุณพลิกชีวิตได้ฟังดีนะข้อที่หให้คุณเดินงานได้ข้อที่สองทให้คุณพลิกชีวิตได้ข้อที่3เป็นค่าเหนื่อยของคุณเพราะคุณต้องไปบริหารคนข้อที่สี่เป็นรายได้แบบน้ําซึมปอรายครับคุณจะเก็บเกี่ยวตรงนี้ตลอดชีวิตจากรายได้ข้อเนี้ยคุณจะไม่โพ้นฟรีอีกแล้ว รายได้ข้อที่4ี่นะครับวิวคอนเทนต์นะครับแบบซึมน้ําซึมเบาทรายนะมันมายัางไงนะครับที่ผมบอกว่ามีคนคลิกเข้าไปดูแล้วคุณได้เงินนะครับสแสดงว่าการคลิกเข้าไปดูแต่ละครั้งนั่นคือวิวใช่ไหมวิวแปลว่าดูเนาะวิววีไออนะครับแปลว่าดูนะครับเมื่อมีการคลิกเข้าไปดูไม่เกี่ยวกับไรค์ไม่เกี่ยวกับแชร์นะครับเมื่อมีการคลิกเข้าไปดูนั่นฮะนับเป็น View สแสดงว่าวิวเนี้ยเราต้องรู้ว่า1 View ราคาเท่าไหร่จริงไหมครับหนึ่งวิราคากี่บาท การที่ถามว่า1วิวราคากี่บาทเนี่ยบางคนบอกว่าวิวละวิวละบาทวิวละห้าสตางค์บอกไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับวิวแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเลทวิวที่ไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตรงนี้ฮะหนึ่งเลยนะครับเขาจะคิดอัตราส่วนนะครับระหว่างกําไรนะครับกไรของเพจค q วนะครับมาจากไหนบ้างนะมาจากการโฆษณานะครับมาจาก 20% ของการสมัครใช้งานนะครับแสดงว่า 1,000 บาทมันวิ่งมาตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็มาจากการเซอร์วิสซิสเต็มแสดงว่าเซอร์วิสซิสเต็มที่เราจ่ายของเดือนเราไม่ได้จ่ายเปล่านะครับมันวิ่งมาตรงนี้ด้วยนะครับที่ี่ดูตรงนี้ดีครับสมมุติว่านะครับในเดือนนี้สัดส่วนนะครับของกําไรเนี่ยคือ1นล้านบาทสมมุตินะฮะหนึ่ล้านบาทเฉพาะในเรื่องของวิวเท่านั้นนะครับไม่รวมข้ออื่นนะฮะเฉพาะในเรื่องของวิวเท่านั้นนะครับเขาจะเอามาคิดอัตราส่วนแบบนี้ครคนทั้งระบบนะครับยอดวิวของคนทั้งระบบเลยนะครับ ทำได้เท่าไหร่จะามาหานกันแต่มีเงื่อนไขแบบนี้นะครับฟังให้ดีนะครับพี่พี่ดูตรงนี้ดีถ้าสมมุติว่าวันนี้หนล้านบาทแต่มีคนคนหนึ่งเนี่ยแค่คนเดียวนะทําวิวได้30ล้านวิวจะเกิดอะไรขึ้นรายได้มันไปกระจุกอยู่คนเดียวไหมเราทําได้200รกว่าวิวพันกว่าวิวหมื่นกว่าวิวเนี่ยมันก็ไปกระจุกอยู่กับเขาคนเดียวจริงไหมฮะมันมีเพดานอย่างหนึ่งฮะที่เกิดขึ้นต่อให้คุณได้30ล้านวิวนะแต่วันนี้รายได้ข้อเนี้ยคุณจะถูกเขาเรียกว่าจํากัดเพดาน เอามาคิดแค่1ล้านวิวเท่านั้นนั่นหมายความว่าเมื่อเอาเพดา 1, 000, 000น1ล้านวิวมาคิดอ่ะแทนที่จะเอา30ล้านวิวอ่ะมาหาร1ล้านเนี่ยคุณก็จะเอามาแค่1ล้านแสดงว่าเลนวิวมันก็จะสูงขึ้นอ่ะผมสมมติอย่างนี้ก่อนสมมติว่ากาไรอ่ะคือ1ล้านบาทนะครับยอดวิวทั้งระบบของทุกคนเลยครับทุกคอนเทนต์เลยนะในเดือนเดือนนั้นนะ่คือ10ล้านวิวเอ า, อาี้ก่อนนะคือ10ล้านวิวนะครับสแสดงว่า1ล้านหารสล้านออกมาเท่าไหร่ครับ10สตาห์ห 10 ส, สตางค์นะสิสตางค์สมมุติว่าเลดวิวคือ10 ส, สตางค์นะครับพี่ทําได้หมื่นวิวทาได้หมื่นวิวนะพี่ก็ได้ไปพันหนึ่งพี่ทําได้แสนวิวพี่ก็ได้ไปหมื่นหนึ่งแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมต้องบอกอีกหดว่าปกติเวลาเราโพสต์ไปเนี่ยนะครับเราเคยได้เงินไหมไม่เคยไม่เคยเลยนะครับแต่วันนี้นะครับต่อให้เราโพสต์ไปแล้วคุณได้จากการ ทำโพสเนี้ยสตา์เนี่ ย, ยคุณก็ยังได้เงินนะนั่นหมายความว่าวันนี้โพสของเราที่เราโพสไปฮะมันจะถูกติดอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะฮะไปตลอดนานเท่านานเลยสมมุตินะผมโพสในในเดือนที่แล้วผมโพสในเดือนที่แล้วเพจค q คืออะไรสมมุตินะครับผมโพสเดือนที่แล้วนะเดือนสิงหาคมนะครับเพจค q คคืออะไรณนะปัจจุบันเนี้ยมีคนมากดเสิร์ช Google ว่าเพจ e QQ คคืออะไรแล้วมันก็ชิปคอนเทนต์ของผมอะ่ะ มันเด้งอยู่แรงๆแล้วคนกดเข้าไปดูผมก็ได้เงินนะครับ10ปีผ่านไปก็ยังมีคนแบบเสิร์ช g ูเกิลอยู่ว่าเพจคิวคืออะไรผมก็ยังได้เงินอยู่นะครับทันไหมสแสดงว่าคอนเทนต์ของพี่อ่ะถ้าเป็นคอนเทนต์คุณภาพอ่ะที่ติดอยู่อินเทอร์เน็ตอ่ะเมื่อมีการค้นหาแล้วเจอแล้วเข้าไปดูเข้าไปคลิกดูมีการดูซ้ํานั่นหมายความว่าโพสของพี่อ่ะพี่เก็บเกี่ยวตรงนี้ทินตลอดชีวิตเลยนะครับได้เงินจากเนี้ยตลอดไปเลยนะครับ แม่ค้าขายของออนไลน์มาขายของพี่คิดว่าคนซื้อของคนดูอะไรเยอะกันครับคนดูคนดูจริงไหมทีนีนะ้คุณจะได้ทั้งคนดูด้วยไรายได้จากการที่คนนะเข้ามาดูด้วยแล้วก็ได้ไรายได้จากการที่คนนะจะซื้อด้วยแบบนี้โอเคไหมวินวินไหมนี่ครับคือบางครั้งนะเราอาจจะมองไม่เห็นข้ อ, อนี้ซึ่งอีกหน่อยผมจะบอกนะครับว่าเลนดวิวนะครับจะสูงขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เมื่อมีกลุ่มคนใช้งานตรงนี้มากขึ้นสมมติมีสักล้านคนสมมุตินะครับมีล้านคนพี่ว่าตลาดแมสล้านคนโฆษณาใหญ่ๆสนใจไหมแน่โฆโฆนอนครเมื่อมีการสนใจต้องมีการลงทุนครับเมื่อมีการลงทุนเหลวิวมันจะเพิ่มคร <โฆ S 1> เพราะว่ากําไรมันจะสูงขึ้นเหลวิวสูงขึ้นแล้วมีการจํากัดเพดานแสดงว่าวันนี้ต่อให้นะฮะต่อให้เราสร้างคอนเทนต์แล้วได้ล้านวิวเลยนะได้ล้านวิวเลยครับแม็กซิมัมเลยนะ แล้วเลดวิวต่ําสุดมินิมัมอสมมุติว่าหนึ่งหนึ่งสตาร์แล้วกันสมมุตินะฮะหนึ่งสตาร์นะครับคุณยังได้หมื่นบาทเลยนะจากเงินหนึ่งพันของคุณน่ะแล้วก็ได้จากเนี่ยคอนเทนต์ที่เราโพสตไปแล้วมันไม่ฟรีได้หมื่นบาทเป็นดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยไหมครับอันนี้มินิมัมสุดนะผมพูดถึงได้ยอดวิวแม็กซิมัมสุดแล้วเลดวิวมินิมัมสุดเลยนะคือต่ําสุดนะครับยังได้หมื่นหนึ่งเลยครับหมื่นหนึ่งวันนี้มีคน ใช้แรงงานแรกประมาณครึ่งเดือนะประมาณนะผมตีซะว่าเงินเดือนคนประมาณสองหมืกับการที่เรานั่งโพสอะไรไปเนี่ยนะครับเราได้เงินสักหมื่นหนึ่งเนี่พี่ว่าดีไหมอีกกระเป๋านึงอีกกระเป๋านึงแค่นั้นนะพูดพูดอีกกระเป๋านะแต่ถ้าวันนี้ครับผมต้องบอกอีครับว่ารายได้ข้อหนึ่งสองสามสี่นะครับมันจะต้องมาบาลานซ์กันนั่นหมายความว่า รายได้จากการที่เราต้องเดินงานทุกๆวันมีค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำํำค่าไฟที่จะช่วยซัพพอตอีกระเป๋าได้จากรายได้ข้อที่1นะครับรายได้ที่สามารถทําให้คุณพลิกชีวิตได้จากรายได้ข้อที่2นะครับความเป็นอยู่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นของเงินก้อนใหญ่พาสีเดือนละหกร้านได้รายได้จากข้อที่3คือการบริหารนั่นคือค่าเหนื่อยของคุณแล้วรายได้แบบน้ำซิมบอไซด์อย่างเงี้ยที่เราจะไม่โพส์อะไรฟรีแล้วอีกต่อไปนะครับพี่ว่าโอเคไหมครับแบบนี้ <Okay. S 1> โอเคนะนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันในเรื่องของข้อที่5นะครับ ข้อที่คือจากการเป็นเซนเตอร์นะครับวันนี้นผมต้องบอกยทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่คนนคนหนึ่งนะทุกคนมีโอกาสเ ป, เป็นเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเซนเตอร์ต้องมีคุณสมบัติแนะนำา1 0 0คนคำถามคือว่านะครับฟังใหดีนะฮะปกติเนี่ยในในธรุรกิจมวนหมู่ MLM ที่เป็นลักษณะของสินค้าอุปโภคบริโภคเมื่อมีการเปิดโมบายหรือเปิดเซนเตอร์พี่ต้องทอยังไงลงเงินลงเงินซื้อจริงเพื่อให้ได้อะไรครับส่วนต่างตอบแทนเพิ่มแต่ทีนี้ฮะเซนเตอร์<ง> เขาการันตีเลยครับว่าการที่คุณเป็นเซ็นเตอร์คุณมีเงินแน่นอนแนะนํา100คนได้เท่าไหร่นะค่าขายพื้นที่5้าสิร้อยคนก็ห้า0 0ื่จริงไหมสแสดงว่าการเป็นเซนเตอร์หนึ่งครั้งมีเงินติดตัวแน่แน่ห้าหมื่นอกจากจะไม่เสียเงินแล้วได้เงินด้วยนะสุดยอดไหมโอเคไหมท <laughs> นี้ครับเซนเตอร์นะครับมีหน้าที่อะไรครับดูนะฮะเซนเตอร์มีหน้าที่ รับแลแกเปลี่ยนคิวและกระจายคิวให้กับคนทั้งองค์กรเลยแสดง ว, ว่า100คนนี้เขาต้องมีทีมงานจริงไหมเกิดการขยายเกิดรายได้และมีการถอนเงินเซ็นเตอร์จะได้จากการถอนเงินของทุกสมาชิกที่อยู่ภายใต้สามเหลี่ยมของเซ็นเตอร์เลยครับไม่ว่าจะเลย20ชั้นไปแล้วก็ยังได้อยู่นะครับเซ็นเตอร์จะได้ 2% จากจํานวนคิวทั้งหมดที่ถูกแลกเข้ามาอีกสนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้มี1มี 10,000 แสนคนอยู่ภายใต้เซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเกิน20ชั้นไปแล้วนะ หนึ่งแสนคนนี้มีการถอนรายได้คนละพันเซ็นเตอร์ได้จากทุกคนเลยนะสทุกครั้งทุกคนเลยโอเคไหมงงไหมไม่งงนะเซ็นเตอร์นะครับการจะเป็นเซ็นเตอร์นะครับจะมีเงื่อนไขกับบริษัทอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ให้คุยโดยโตรงกับบริษัทนะครับแต่ทุกคนสามารถเป็นได้หมดเลยนะครับเซ็นเตอร์มีหน้าที่อ p p r o v e รหัสจ่ายเงินนะครับให้กับคนในทีมงานซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถทําตรงนี้ได้นะครับแต่ทุกคนสามารถเป็นได้ เขาเข้าใจผมไหมคือทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเซนเตอร์ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนน่ยที่สามารถทําได้นึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นครับเงื่อนไขของบริษัทในการที่จะต้องถือเงินจํานวนหนึ่งมันมีอยู่นะครับแต่ว่าเราจะปลอดภัยที่สุดก็คือเราไม่ถือเงินเลยเดี๋ยวบริษัทจะมีเงื่อนไขให้นะครับว่าทํายังไงถึงจะเป็นเซนเตอร์ได้นะครับแต่ถ้าทุกคนทําได้100จริงๆผมบอกนฮะในกระเป๋ามีแล้วครึ่งแสนโอเคไหมครับ อโอเคนะแล้วได้หลายได้ข้อที่ 1, 2, 3, 4ี่หมดเลยนะครับรวมมาถึงอีก 2% ตรงนี้ด้วยนะครับคือได้รได้ไดทุกข้อเลยนะครั บ, บ c e n t e r Center Post Content Center ก็ได้นะ Center แนะนำตรง Center ก็ได้อีกนะครับ Center <yogurt i. S 1> อะไรนะ Center มี Center 2 <c oughs> ีช <ube> ั้น Center ก็ได้อีก20ล้านนะครับโอเคไหมฮะจริงแต่จริงผมบอกเลยหนึ่งาี่นี้ก็รวยแล้วอ่ะนะฮะผมไปที่อุบลนเขาใช้คาว่าอะไรนะรวยไต่ห่าอย่างนี้เลยะนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสําหรับสําหรับรายได้ห้าข้อนะครับผมบอกเลยว่าไม่ยากไม่ต้องผ่าอะไรนะไม่มีอะไรให้ผ่านะครับไม่ต้องผ่านนะฮะทีนี้เริ่มต้นง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับเวันนี้มันไม่มีบอร์ดเนาะผมอยากได้บอร์ดจังเลยมันมีบอร์ดไหมนะอาจารย์อาจารย์ขอถามให้ผมได้ไหมฮะนะครับทีนีผมอยากให้พี่เข้าใจอยียครับว่ามันเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับอ่ ก่อนก่อนจะไปถึงเรื่อง ก, การเริ่มต้นมีใครยังเข้าใจว่าธุรกิจนี้เป็นธุกรกิจขายตรงอยู่ไหมครับมีไหมยกได้น ะ, ะคือใครยังเข้าใจว่าธุกรกิจเป็นธุกรกิจขายตรงอยู่ไหม ไ, ไม่มีอะไรให้ขายอะ่อะจำที่ผมพูดตอนแรกได้ไหมครับว่ายุค 4G 4.0 ของเราเขึ้นไปเนี่ยมันเป็นยุคการขายไอเดียแล้วปกติเราโพสต์มันจบแค่โพสต์จริงไหมครับ แต่นี่เอาโพสต์ไปอัพพลาต่อเป็นรายได้แบบนี้ครับนี่ฮะคือการแอร็คราได้แล้วผมบอกเลยครับไม่มีใครคิดได้แบบนี้มีคุณโดมคนเดียวตรงนีน้คุณโดมเลยปกติเราเคยเห็นแต่แพลตฟอ ร, ร์มการขายของการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่เคยมีใครคิดใช่ไหมว่าวันนี้แค่เปลี่ยนที่โพสต์แล้วทำเงินได้แล้วเอาโครงสร้างลักษณะของการจ่ายเงิน ค, คล้ายๆกับรูปแบบ MLM MM มาใส่ซึ่งเป็นข้อดีอยู่แล้วนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า พอมันเป็นการอปพลายไอเดียตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครมองเห็นผมบอกเลยนะครับถ้าใครมองเห็นนะผมบอกเลยคนระับว่าคุณทํางานง่ายมากบางคนมีประสบการณ์อยู่แล้วด้วยธุรกิจเอ็ LM. ถ้าใครเห็นแพลตฟอร์มตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมโค่นง่ายเลยนะครับเราเคยปิดการขายมา 3-4 มสี่หื่หลักแสนบางคนปิดหลักล้านบางคนบางคนลงทุนเป็นแสนอ่ะบางคนลงทุนหลายหมื่นอนะ่ะแต่แรกเอาไงแรกเอาเงินครับเอาแสนไปแลกพันเอาแสนไปแลกหมื่นเอาล้านไปแลกแสน วันนี้พอ ม, มาเจอหลักพันแรกหลัล ก, ก, ลนะหลกล้านตกใจตกใจเลยนะพอมาเจอหลักพันแลกล้านตกใจผมบอกเนี่ว่าถ้าใครวันนี้เข้าใจแผ่นฟอร์มตัวนี้จริงๆนะจะรู้เลยว่าไรายได้ข้อที่2เนี่ยพี่ทําร้านนึได้จริงๆนะหลักล้านได้จริงเนะนะครับอันนี้อันนี้จะเอาบอร์ดให้ผมใช่ไหมฮะขอบคุณนะครับอันนี้มาดูหนครับข้อที่หนึ่งเนี่ยผมอยากให้ทุกคนตัดสินใจครับบนข้อเท้จริง วันนี้เนี่ยผมต้องบอกอีกว่ามันหมดยุคการหลอกลวงกันไปแล้วนะทุกอย่างมันเสรื่ได้านดิจิตเน็กหมดแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ใหทุกคนเห็นก็คือข้อแท้จริงนะครับวันนี้ไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อหัวใจตัวเองพอว่าสิ่งที่พี่ๆมองเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนีย้มันเป็นแบบนี้จริงไหมนะครับแล้วในยุคต่อไปเนี่ยที่มันเป็นยุคของ IoT เนี่ยที่เราจะกําลังจะสัมผัสกันเนี่ยถ้าใครมองวิชั่นผมบอกทุกคนจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันหนีไม่พ้นอ่ะนะครับอยากให้ตัดสินใจใบนข้อทจรริงนะคับ โปรเจกต์เทรไม่ใช่โปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันเป็นช่องทางทําเงินที่ทําได้แล้สัมผัสเงินได้จริงๆในทุกๆวันไม่ไม่ต้องมารอเป็นอาทิตย์ไม่ต้องมารอเป็นเดือนครับพี่สัมผัสเงินได้จริงๆทุกวันกดเงินออกจากตัวคูปองนะครับเงินเข้าในบัญชีไม่เกินสีแปดชั่วโมงสัมผัสได้ทุกวันครับมีใครในห้องนี้ถอนเงินจาก QQ บ้างไหมฮะมีไหมครับได้เงินจริงไหมครับได้ไดโอเคไหมครัคือ คือมันเป็นข้อที่จริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับถั้งนั้นนะเริ่มต้นครับอันที่2คือวันนี้เราเป็นสมาชิกสมัครสม า, สมาชิกครับแล้วก็ซื้อพื้นที่คอนเทนต์ราคาเท่าไหร่ครับจ่าย 2,000 ผมไม่เอานะผมเอาห0 0่นะครับแล้วก็อยากจะส่งต่อวัฒนธรรมดีๆนิดนึงนะครับในในในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างซีเรียสปกติในโซเชียลเรนเวิร์ดเนี่ยเราจะสมัครสมมุติเราเล่นเฟซบุ o กเนี่ยเราสมัครกี่ Facebook ก็ได้จริงไหม แพลตฟอร์มเดียวกันเราสามารถสมัครเพจ QQ กี user ่ยูเซอร์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องบริหารให้ครบทุกยูเซอร์ซึ่งผมบอกนลยะถึงจุดหบริหารไม่ไหวแล้วครับคําถามคือว่าถ้าวันนี้แค่ยูเซอร์เดียวทําเงิน20ล้านได้กับแพสซีฟเดือนละ6ล้านได้เพียงพอแล้วไหมครับพอพอแล้วนะคือคือไม่อยากคุณเพราอว่าถ้ามี2ยูเซอร์คุณจะต้องได้40ล้านแล้วคุณก็ได้แพสซีฟเดือนละ12ล้านคือไม่รู้จะโอเวอร์เซลล์ทำไมเลือกหรอไหครับ คือวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสัมผัสได้ว่ามันจับต้องได้จริงไม่ไกลตัวเพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองอ่ะทุกวันนี้เราก้มหน้าก้มตาจับมือถือขึ้นมาเล่นกันอยู่แล้วในห้องนี้มีใครไม่เอามือถือบ้างครับมีไหมถ้าออกมาจากบ้านอ่ะแล้วลืมมือถือไว้ที่บ้านก่อนมาที่นี่ทาไงครับกลอา้าสิบกิโลนะกลับไปเอาหรืนะเอเปล่แล้วถ้ากลับไปเอาไม่ได้อ่ะรู้สึกไงถ้าถ้ากลับไปเอาไม่ได้รู้สึกยังไงโอ๊ยงุดหงิดไหมขาดไหม นี่ครับคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอ่ะมันมีของเหล่านี้เป็นอวัยวะชิ้นที่ส3มไปแล้วอ่ะเป็นปัจจัยที่ต้องป บ, บติดตัวไปแล้วอ่ะคือถ้าแบบเอามฝังกับแขนได้ฝังไปแล้วอ่ะใจไฮะผมถึงบอยครับว่าวันนี้นะครับรูปแบบของการสมัครสมาชิกขอนะครับ1คนหนึ่งยูเซอร์พอครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะเริ่มต้นใช้งานให้เป็นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนใช้งานด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะ ใ ห, ใหญ่มากเลยครับโอ้ยใหญ่ๆดีเนี้ยงานเดี๋ยวเราคือโอเคหโอเอนาถอดถอดถอได้โอเคเอาเมื่อกี้ตอนตอนเข้ามาลืมใช่ไหมว่าต้องใช้บอร์ดด้วยนะครับ โอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เท่านี้แสดงว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้งานบอร์ดอันนี้เยอะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเข้ามานั่งห้องนี้แล้วด้วยนะใช่ไหมมีไหมมีใครเข้ามานั่งห้องนี้แล้วไหมอ๋อมีเอ๋ออันนี้อ๋อ อะไรนะวันคงวันคอยไม่ได้ยินเลยฮะไม่ได้ยินเลฮ ะ, อะนอกจากตัดสินใจแล้วนะครับซื้อพื้นที่คอนเทนต์สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นใช้งานคืออยากให้ใช้งานให้เป็นจริงๆนะครับรู้ว่าสมัครสมาชิกยังไงเพจคิ Q Q etera, คืออะไรนะครับแนสลิปแบบไหนนะครับโพสต์คอนเทนต์ยังไงนะครับตอบข้อโต้แ ย, ย้งยังไงนะครับทั้งในเรื่องของกฎหมายทาั้งในเรื่องของของขอ ง, ของการทํางานทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกคนฮะมีมีสิ่งที่ต้องเคลียร์อยู่แล้ว ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานเป็นเรารู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถส่งต่อตรงนี้ง่ายนะครับอ่ะแล้วก็เริ่มต้นง่ายที่สุดชวนเพื่อนกี่คนครับสองคนสคนมินิมัมที่สุดแล้วน่าเกียดที่สุดแล้วคือสองคนนะครับมันจึงเป็นที่มาของเกมเกมนี้ครับใครรู้ไหมครัว่าเกมอะไรอะไรนะฮะสองสองอใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูกัน ใครใครเพิ่งเคยได้ยินเกมสองสองเป็นครั้งแรกในชีวิตบ้างมีไหมฮะโอเคทีนี้ครับเกมสองสสองหน้าตาเป็นอย่างนี้ <c oughs> นะครับอ่าผมเขียนนี้ก่อนนะสองสองสอง <c oughs> นะครับสองตัวแรกครับ <c oughs> สองตัวแรกก็คือตัวเราครับแนะนำเพื่อนสองคน <c oughs> อ่านี่นะ สองแรกนะครับได้นำเพื่อนสคนนะครับแล้วไปช่วยให้2ตัวที่2นะครับ2อคนนี้มีอีกสคนครับหน้าตาแบบนี้ครับใน2วันครับแสดงว่าชั้นที่1นะครับมันจะจบ2วันอดูนะดูนะชั้นที่2นะครับจะจบ2วันแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะครับจบแล้วนะครับหน้าทีของเราจบนะครับแต่ขอให้พวกเราอ่ะสเกมเกมนี้แล้วเล่นพร้อมๆกันไปพร้อมๆกัน สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรไไนะ l รายไลนข้อที่2สองเราเมื่อกี้กี่ชั้นนะครับยี่สิบชั้นยี่สนะิบชั้นนะครับยี่สิบชั้นนะยี่สิบชั้นมีคนกี่คนนะครับสองล้านสองล้านยูเซอร์เนาะสองล้า น, user, <1 S 2> นยูเซอร์สองล้านค<า>นอ่าสองล้านคนะนะครับ<ๆ>พี่ๆดูนี้ดีๆครับสองแนะนํา2แล้วทุกคนเล่นเก็บเกันแสดงว่าคนคนี้ก็แนะนำสองคนคนี้ก็แนะนำสองสองสอง แล้วทุกคนก็เล่นเกมเดียวกันคนละสองคนละสองคนละสองคนละสองลงมาเรื่อยๆเนี่ยยี่สิบชั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่ฮะสี่สิบวันสี่สิบวันยี่สิบชั้นเต็มเป๊ะเลยไม่มีขาดไม่มีเกินเลยนะสี่สิบวันนี้จากเงิน1000ันบาทของพี่ทุกคนนะครับจะแปลงเป็นเงิน2ี่สิบล้านได้โอเคไหมครับถ้าสี่สิบวันนี้ทุกคนเล่นเกมเกมนี้นะครับผมบอกฮนะยังไงก็ยี่สิบล้านครับ 20ล้านจริงๆนะเพราะว่าอะไรดูไหมครับตัวเลขไม่โกหกไงต่อให้40่วันนี้ไม่ได้20ล้านได้สักแสนนึ่งน่าเกียดไหมครับ <Yeah. S 1> ไม่น่าเกียดนะ <Yeah. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นครับเราเล่นเกมนี้พร้อมๆกันนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ตัวเราเราก็สามารถชวนเพื่อนๆได้แล้วก็สอนให้เพื่อนๆของเรามีอีกสคนได้เหมือนกันคือชวนเพื่อนๆได้เหมือนกันจบหน้าที่เราแล้วนะครับ40วันนี้นะครับถ้าทุกคนพร้อมใจกันเล่นนะครับพร้อมใจกันทํา นะครับผมบอกเลยครับ40วันนี้จะเป็น40วันที่เงิน1นึ่งพันงพี่นะเปลี่ยนชีวิตพี่ได้จริงๆไม่ว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆคือมาไกลกว่าเดิมแน่นอนอะนะครับต่อให้มันไม่เต็มยี่สิบชั้นนะได้ทั้งสิชั้นน่ะพี่ยังได้2อ0 0 0ืเลย40วันหาเงินส0 0 0มบางคนหาไม่ได้นะจริงไหมฮะแต่ถ้าวันนี้คนระับถ้ามันมีโอกาสที่40วันนี้ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วพี่ได้ยี่สบล้านจริงๆไง เอาไหมเอาเอาเสียงเบาแค่นี้เหรอเอาใครเอาไหมเแล้วเดือนถัดไปอ่ะ p a ส s ี v e เดือล้หกล้านตลอดไปเลยอ่ะโอเคไหมฮะโอเคโอเคนะมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแบบนี้แหละครับถ้าใครวันนี้มองเห็นนะครับผมบอกเลยครับว่าพลังของ Leverage คือการทวีคูณเนี้ยมันแตกตัวเร็วมากอ๋อครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับโอเคฮะนะครับอ่ะ ใครจะเล่นเกมนี้กับผมบ้างเล่นเล่นหเล่นถ้าผมบอกเลยนะว่าค้าใข่ยกมือขอให้ได้ยี่สิด้านจริงใครเล่นบ้างฮะโอเคนะโอเคทีนี้นะครับเื่งสุดท้ายนะครับรื่งสุดท้ายไม่ยังไม่สุดท้ายนิดนึงนะฮะชอบชอบพาชเอันนี้เขมามเลย น, นะฮะอ ทีนี้นอกจากเกม222แล้วนะครับผมอยากให้พี่ๆทุกคนดูตรงนี้ด้วยนะครับจะได้บอกทุกคนได้นะครับว่ามันถูกกฎหมายยังไงใครอยากรูก้ข้อที่นี้อยากรูก้ไหมว่าถูกกฎหมายยังไงนะครับดูนะครับคืบอป ก, กติเนี่ยจริงๆเนี่ยแพลตฟอร์มของตัวเนี้ยผมก็บอกอีก น, นะผมเห็นแพลตฟอร์มพวก MLM พวกเนี้ยมาหลายที่แหละนะครับแพลตฟอร์มของตัวเนี้ยจริงๆอ่ะผมบอกเลยไม่ต้องจดสอสบได้นะเป็นจดก็ได้นะครับ อันนี้เรื่องจริงนะไม่ต้องจทย์ก็ได้นะฮะเฟซบ o ๊กเปิดมาให้คนใช้เขาจดยไ<ม>์ไหมฮะไม่โจทย์นะครับ<ม>ถ้าวันนี้โซเชียลเล่นเหมือนผิดกฎหมายผิดกฎหมายหมดครับ<ม>นะครับเพียงแค่ว่าวันนี้เพื่อความสบายใจของคนไทยมันจำเป็นต้องมีนะครับผมเลยจำเป็นต้องแจกแจงก่อนว่าที่มาที่ไปของเงินมันไปไหนบ้างมันจ่ายอะไรถูกต้องบ้างนะครับทีนี้ให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับเงินหนึ่งพันของเราเนี่ยนะครับผมคิดเป็นหนึ่งรอร์นะผมคิดเป็นหนึ่งรนะครับ แสดงว่าเมื่อเกิดรายได้ข้อที่หนึ่งขึ้นะเมื่อมีการสปอนเซอร์รหัส a p p l ลูฟเงิ proof, นเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมี 50% จริงไหมฮะวิ่งไปที่ไหนครับ 50% วิ่งไปที่ผู้สปอนเซอร์รายได้ข้อที่เท่าไหร่ครับรายได้ข้อที่หนึ่งสปอนเซอร์รายได้ข้อที่หนึ่งนะนะครับเหลือเท่าไหร่ครับเ <50. S 1> หลือห้ช่ว ง, รงแรกๆอ่ะมันจะมีคนมาบอกว่าโอ้โหแบบนี้บริษัทก็ได้5้าสิโถ้ามีคนสมัครสักล้านคนก็ได้500รล้านสิ ใช่ไหมเราเข้าใจแบบนี้ไหมเข้าใจเข้าใจแบบนี้ผมก็เข้าใจอย่างนี้แหละไม่มิเศษนะตอนแรกๆผมเข้าใจองจริงๆนะครับคือบริษัทได้ห้0จริงแต่ทีนี้พอเรามาดูพอเรามาเข้าใจเราเลยค้นพบว่า 20% ครับมันวิ่งไปที่รายได้ข้อที่2ครับคือ 1% ึนคูณ20ชั้นครับแสดงว่าวันนี้ไอ้หนึชั้นของเราเนี่ยจ่ายเกินได้ไหมไม่ได้จ่ายโอเวอร์หมไม่ได้ไม่โอเวอร์ครับจ่ายได้ยนะีล้านจ่ายได้จริงๆ ลองนึดภาพว่ายี่ล้านวันนี้สอยูสเซอร์สล้านคนค่าสมัครคนละหนพัเป็นเงินสปาร์ตเ่รครับ2ล้านคนคูณนึพันเท่าไหร่อพันล้านนะนยีส okay ล้านจ่ายสบายโอเคไหมครับยีสิล้านจ่ายสบายครับไม่ต้องห่วงนะ่ครับมันิมาที่นี่ครับชั้นแสดงว่า20ชั้นคูณกับ1มันก็ต้องได้20่สไม่ขาดไม่เกินเลยโอเคไหมฮะเป๊ะนะครับต่อให้พี่นะ อยู่ชั้นที่20เลยนะสมมตินะอยู่ชั้นที่20แต่พี่ก็มี20ชั้นของตัวเองนะสมมติเพิ่งเข้ามาอยู่ชั้นที่20 ช, ชั้นที่19 1% 18 17 16 15 14ไล่เป็นต้นๆได้ <S <S อันนี้เราปฏิเสธนะอันนี้ผมคุยข้อเท็จจริงให้ฟังนะแพลตฟอร์มทุกที่เป็นแบบนี้หมดโอเคไหมฮะ <S 1> <S 1> โ, อโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเมื่อมันมีการเกิดเคยข่ายขึ้นมันจําเป็นต้องมีการจ่ายแบบนี้นะครับอันนี้คุยเรื่องจริงนะครับอ่ะทีนี้แบบนนี้ก่อะครับ อ่ะยีนะครับวิ่งมาที่นี่แล้วนะครับในรายได้ข้อที่2นะครับข้อที่สามไม่เกี่ยวนะครับข้อที่สาไปสิบอ่ะไม่เกี่ยวนะเป็นคนกับคนโอเคไหมไม่เกี่ยวกับหนึ่พันนะครับมันวิ่งมาที่รายได้ข้อที่4ี่ครับอีก20 v i e w เปอร์เซ mm ็นคอรับอีก20นะครับแสดงว่าในทุกๆเดือนในทุกๆเดือน มันก็จะมีรายได้จากเคสก้อนนี้มากขึ้นเพราะมีสมาชิกใช้งานมากขึ้นมากขึ้นทุกๆเดือนเป็นแบบทวีคูณเรื่อยๆแสดงว่าเมื่อมีกําไรมากขึ้นเลดวิวสูงขึ้นไหมครับสูงครับไม่ต้องห่วงฮะสูงขึ้นแน่นอนนะครับเราจะมีรายได้จากเลดวิวที่ค่อนข้างสูงเนี่ยสูงที่สุดในโลกเลยผมบอกอย่างนี้หรอสูงที่สุดในโลกเลยนะครับอีอ่ะอันเนี้ยเกละเก้าสิเนี้ยไปที่ยูเซอร์ ทั้งหมดเลย 90% นะครับมันเหลืออีก 10% ใช่ครับ<ะ>แต่ทีนี้ฮนะ 10% แบ่งเป็นแบบนี้ครับ 7% นะครับจ่ายแหวกแหวกคืออะไรครับภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายที่ไหนฮนะส ม, มะรคอนถ้าจ่ายภาษีเข้าส ม, มรคอถูกกฎหมายไหมครับถูก <True. S 1> ถูกกฎหมายเป็นธุรกิจผิดกฎหมายไหมครับโอ่งใ<ป>สครับปมมือให้หน่อยฮนะ โปรง่งใสครับไม่ต้องห่วงะโปรง่งใสนะครับจ่ายที่สัมพรกร์บางระบุงจริงๆนะฮะในนามบริษัท s u r ร์ฟเวอนะครับที่เป็นเจ้าของโดเมน h พจคิวนะครับอ่ะมันเหลือเท่าไหร่นะเหลือส 3% เอร์เนเปเ็นี้เป็นมาจินแท้เป็นกำไรจริงๆนะเป็นกำไรของเพจคิวจริงๆโอมไม่เอาอะไรเลยครับโอมมึงให้โอมเลยนะตื่นเต้นนะแ <c oughs> สดงว่า90สอร์นะครับ โอมเอาเงินคืนยูเซอร์หมดเลยครับโอมอาเงินคืนยูเซอร์หมดเลยนะครับจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับทุกยูเซอร์ด้วยแสดงว่าทุกคนที่สมัครเข้ามาแพ็กเกจเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราทําแบบถูกกฎหมายนะครับเพราะเราจ่ายภาษีถูกต้องนะครับแล้วสิสแตมได้3็จริงๆมันหมดยุคสมัยของการอวดกันแล้วว่าบริษัทได้กําไรเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่ไม่ไม่ต้องอวดนะครับทีน่นี่ไม่มีตําแหน่งฮนะไม่มีหัวโขนให้สวมเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยดีไหมฮะแบบนี้ ด, ด, ดีนะเคยเห็นไหมแตงมึ่ง นี่เห็นไหไนมอนไนมอนโอนี่โอ้นี่ดับเลไนมอนเห็นไหติดนี่อยู่5ล้านหกร้านก็มีแล้วประมาอ่าเห็นมาเยอะเห็นมาเยอะไงเห็นมาเยอะเยอะนะฮะทีนี้ไม่มีครับไม่มีหัวขนให้สวมนะครับคือเราเป็นเป็นเหมือนเพื่อนกันเป็นสมาชิกด้วยกันหมดเลยนะครับทีนี้สามเซนะครับผมต้องบอกอีกันว่าตอนที่ผมทำโปรเจกนี้ใหม่ๆนะครับเราเป็นนักการตลาดเนาะเราก็มองเลยว่าเฮ้ย โอมต่อลงเนี่ยู่เอากำไรสามเร์ซ็นต์เนี่ยยูทำธุรกิจหรือทํามูนาลนิธิป่ะจริงป่ะโอมบ อ, อกว่าอะไรด้วยไหครับผมชอบโอมมากเลยนะโอมบ อ, อกว่าวันนี้เพนทีวีอ่ะคือไม่ได้เปิดเพื่อเอาบราาิษัทรวยเปิดเพื่อให้เรารวยนะมูลค่าของเพนทีวีอ่ะไม่ได้เกิดจากกำไรมาจิ้มสมอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าเกิดจากพวกเราใช้งา น, นครับ ถ้าวันนี้นะครับเพจคิวคนะครับไม่มีพวกเราผมบอกเนะี้ยมันจะไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีเพจคิวเราก็ไม่รู้จะเอาช่องทางอะไรมาทําเงินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราเป็นเหมือนกับว่าเราวินวินเราช่วยเหลือกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอมอยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับว่าวันนี้อมทำทำช่องทางเนี้ยมาให้พวกเราอ่ะสามารถสามารถทาเงินกันแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเลยเพราะเราใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วแล้วเราก็เสียเงินให้กับมันด้วยแต่วันนี้มันจะทําเงินให้เราได้จากตรงนี้ นะครับแล้ววันนี้นะครับผมบอกนะครัว่าสเอร์เซนี้นะครับให้ทุกคนสบายใจนะครับเพียงพอกับการทำซิสเต็มของเรานะครับแล้วอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าวันนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราเพจคิวๆนะครับไม่ได้อยู่กับแถวสะพานควายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่นะฮะคือตอนแรกผมเข้าใจคืออย่างงี้ก่อนคือพี่โอมอ่ะเขาพักอยู่แถวสะพานควายอ่าแล้วเขาก็มีคอมพิวเตอร์ตอนแรกผมก็เดีว่าเอ้ยมันเป็นอะไรพราะว่าเว็บกิ๊กก็อยู่แถวสะพานควายหรือเปล่าเช็ค IP ครับ เซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ฮะดินแดนของโซเชียลฮะมีการกระจายโนดอยู่ที่อยู่ที่ USA มากกว่า20โนดนะครับ mm hmm. บอกได้โนดเดียวคือซิลิคอนวัลเลย์นะครับอีก19โนดขอเป็นความลับนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกัน mm hmm. เพื่อเพื่อเป็นความลับอันนี้พวกเราเข้าใจเนาะ mm hmm. นะครับแต่ซิลิคอนวัลเลย์ครับถ้าเราไปดูประวัติของซิลิคอนวัลเลย์นะ Facebook Apple Alibaba Google อะไรฮนะบริ้งย่าฮ มากกว่าร้อยบริษัทเนาะที่ตั้งอยู่แค่นั้นอีกหน่อยนะครับจะมีธงไทยนะแลปะปัชื่อเพจค q วอยู่ที่ซิลกอนวันเล่ครับเชื่อมั่นี่้เลยนะพวกเรากล่าวทำในลักษณะของเวิร์ลไวดนะครับถ้าวันนี้ใครมองภาพออกนะภาพระยะไกลเลยนะนะ ค, คุณจะรู้เลยว่าวันนี้เพจค q ววอะ่ะจะไม่ใช่มีแค่การโพสต์คอนเทนต์หรือการโพสต์แค่รูปภาพกับคลิปทุกอย่างจะเปลี่ยนในลักษณะของการใช้งานของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งผมเดี๋ยวอยีกหน่อยที่มารสาจะมาบอกให้ นะครับว่ามันจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับซึ่งอย่างนี้ฮะฉะนั้นผมสรุปนะครับใครอยากได้เคล็ดลับบาายย้างใครอยากได้เคล็ดลับความสําเร็จบ้างวันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนจากเงิน1น0 0งบาทของผมเป็นเงินวันละหมื่นได้ยังไงผมมีวิธีนะวันละหมื่นเดือนหนึ่งตอนนี้ก็ 30,000 นเนาะใช่ไหมฮะจากเงิน1000บาทนะครับใครอยากได้บ้างอยากได้เนาะคือผมเชื่อหลายหคนน่ยได้มาเยอะมากแล้วจากที่อื่นนะฮะได้มาเยอะมากแล้วจากที่อื่นนะครับแต่ทีนี้นะครับ ผมต้องบอกอีก ว, ว่าเคล็ดลับของเทผมง่ายมากนะหนึ่งเลยนะครับเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจว่าเพจ q, q ิคืออะไรเข้าใจว่ายุคสมัยมันถูกเปลี่ยนแล้วเข้าใจ ว, าว่าวันนี้เรานิ่งนอนใจไม่ได้แล้วเราจะเอ้อระเหยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วมากมันเปลี่ยนเร็วจริงๆนะใครจะรู้ว่าอีกหน่อยอนาะคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมมาบอกก่อนล่วงหน้าแล้วว่าอีกหน่อยเราจะเจอ IoT เราจะเจอไอ e. อีกหน่อยโซเชียลพวกนี้จะเป็นโซเชียลสื่อทรงพลังที่แบบทําให้เราอ่ะมีนแน่แน่จากการใช้งาน โดยที่เราอ่ะลงทุนต่ำมากลงทุนต่ำมากนะพันเดียวคือต่ำมากนะครับที่สำคัญก็คือ 1,000 นี้สามารถพลิกได้เลยนะครับจากการทำรายได้ข้อ 1,2,3,4,5 ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเข้าใจมันว่ามันคืออะไรนะครับตอบคำถามได้ทุกข้อนะครับด้วยความเข้าใจไม่ต้อง motivation น, นะพวกเราทุกคนสื่อสารกันด้วยข้อเท็่จริงอยู่แล้วนะครับทำให้เป็นครับแล้วได้5ข้อมายังไงบ้างเงินไปที่ไหนบ้างนะครับ ต้องพูดอะไรบ้างต้องสื่อสารอะไรบ้างใช้เพจ q ิวคิยังไงคือทําให้เป็นอยากให้ทุกคนทําเป็นจริงๆนะครับเราก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรารีบร้อนความสําเร็จนะใครใครเคยเป็นบ้างรู้สึกรีบร้อนอะ่ะกระหายมากกระหายความสําเร็จมากใจเย็นๆนะผมบอกแล้วว่าต้องใจเย็นๆทุกความสําเร็จมีทั้มมิ่งอ่ะคือทุกความสําเร็จมีเวลาของมันนะครับ คือเคล็ดลับของผมนะผมบอกเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ชอบทำงานเร็วๆอ่ะ ใ, ใครเป็นไหมบางครั้งการทำเร็วๆมันชา้าแต่บางครั้งการทำช้าๆมันก็เร็วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นฮะใจเย็นๆนะครับค่อยๆใจเย็นนะครับจากนั้นไปบอกต่อครับวันนี้เราบอกกี่คนนะครับสต่าสุดที่สใครโฟกัสร้อยคนมัน่งเขาจริงปะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับ มินิมัมที่สองนะครับอ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยนะฮะสามโมงแล้วยังสามโมงแล้วขอเวลาสิบนาทีนะครับจะพูดให้ฟังเรื่องนี้ <c oughs> มันลบยากเนาะ <c oughs> ใครใครกลัวชวนเพื่อนไม่ได้บ้างมีไหมใครกลัวชวนเพื่อนไม่ได้บ้างครับในห้องนี้มีฮะใครใครกังวลเรื่องเงินขันบ้างไหมฮะมีไหม มีใครกำมุดเรื่องเงินหนึ่งพันลงไหอ่ะเออค่าค่าค่าดัดผมค่าดัดผมทุกวันนี้เท่าไหร่ครค่าดัาาดผมกินกินชาบูชีเท่าไหร่ครับทุวัน 1, นี้หนึ่งพันนี่เป๊บเดียวหมดเลยนะจริงๆริงหนึพันป๊บเดียวโอเบียร์รังหนึ่งเนี่ยหมดเลยนะพวกเราดูตรนี้ครับไม่ต้องห่วงนะฮะว่าว่ า, ว า, าชวนคนไม่ได้ก็จะไม่ได้เงิน <S <S ดูนะครับ ปกติเนี่ยนะครับดูดูข้อนี้ดีๆนะครับดูข้อนี้ดีๆนะครับดูข้อนี้ดีนะครั บ, ร บ, รบสมมติว่าสามเหลี่ยมตรงเนี้ยคือยี่สิบชั้นนะสมมติเราอ่ะสวักมาแล้วเราก็แบบว่าแล้วเราก็แบบว่าชวนใครไม่ได้เลยอ่ะคือเราไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนรู้สึกว้าเหวอ ย, อยู่ในสังคมนี้แล้วชวนใครไม่ได้เลยนะฮะ อินเทอร์เน็ตที่บ้านเสียโน้ตบุ๊กพังคอมพิวเตอร์เจ๊งมาดูข้อนี้กันนะฮะสมมุติว่าครับสมัครบานะอยู่ในชั้นที่สิสมมุตินะอยู่ชั้นที่สิเลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะตึ้งตึงมาตรงนี้เลยนะนะครับจําเลยได้ข้อสได้ไหมครับที่ผมว่าคอมมันเพสอัลโตจาได้ไหมจําได้ไหมจําได้น้องแสดงว่าถ้าสมมุติว่าคนคนเนี้เขาเก่งมากเลยเขาทําแบบ สุดยอดเลยเขาต้องการเป็นนัมเบอรัของเพย์คิวิวเลยเขาต้องการทําสามเหลี่ยมตรงนี้ให้เต็ม20สชั้นนะครับสแสดงว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ฮนะแล้วคนคนนี้เขาทํา20สิชั้นได้สแสดงว่าสามเหลี่ยมเราอะมันเต็มด้วยไหมเต็มครับมันถูกเพส์อัตโตมามันเต็มได้เราฮนะสมมุติเราอยู่ชั้นที่10นะิบนะเราลงทุนไปหนึ่งพันบาทนะสิชั้นมันยี่ได้2 0,000 ื่นนะครับ อยู่แบบตุ้มๆไม่ทำอะไรเลยนะอยู่แบบไม่ชวนใครไม่ทาอะไรเลยเนี่ยยังได้2องหมืนเลยนะแต่มันได้ช้าแล้วมันก็ได้น้อยครับลองนิ้วผ้าแล้ถ้าวันนี้เราทําจริงๆครับผมบอกเนยหลักล้านไม่ไกลเกินเอื้อมครับนะครับแต่ถ้าวันนี้ต่อให้เราไม่รู้จักใครเลยนะถ้าวันหนึ่งสามเหลี่ยมมันเต็มนะครับคุณก็ยังได้สองหมื่นตรนี้ครับคําถามคือว่า แล้ว10ชั้นตรงนี้มันจะไม่ขยายเป็น20สชั้นตรงนี้เลยเหรอ<า>ขยายไห ย, ยแล้วถ้าขยายได้20สล้า น, น, น, นเอาั้มเอาเอาเอานะเ <c oughs> พราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวชวนคนไม่ได้ครับ ในในวันนี้เนี่ยพวกเราพวกเราขายของกันอยู่แล้วเนาะพวกเราชวนกันใช้งานพวกเราชวนกันไปกินก๋วยเตี๋ยวพวกเราชวนกันดูหนังทำนู่นทํานี่อยู่แล้วถ้าวันนี้จะชวนกันทําช่องทางทําเงินดีๆสักอันหนึ่งไม่ได้เชียวเลยครับ2อคนได้ไหมได้เราจะเล่นเกมสองสอกันใช่ไหมเล่นเราจะเอายี่สิล้านกันใช่ไหมใช่ห้าสิบเดือนละห6ล้านเอาไหมเอาถ้งั้นทํานะครับทําเลยนะฮะอ่ะถ้างั้นสําหรับผม นะครับก็ขอจบเท่านี้นะฮะสำหรับข้อมูลขอบคุณมากมานะครับสำหรับพื้นที่การฟังขทุกคนแต่ก่อนแต่ก่อนก่อนที่จะไปถึงแต่ก่อนที่จะปิดงานนะฮะเดี๋ยวตอนตอนที่มาิษฐาพูดจบนะครับผมจะขอญาติสาธิตวิธีการใช้งานสักเล็กน้อยนะครับว่าเพย q คิเปิดตรงไหนใช้งานยังไงนะครับอ่าแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอคืนไปให้จารุเบญก่อนขอบคุณนะครับ